พันเตติสารเนนะสหาอาถะศีลานิยจามะตัติยมปิมยังพันเตติสารเณนะสหอาถะศีลานิยาจามะ นะโมตัส萨ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส萨นะโมตัส萨ภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะโมตัส萨 พควาโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพควาโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพควาโตอะรหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเจรนังกัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัามิฉังคังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิทุติยามีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามีธรรมังสรนังคัจฉามิ ธุติย an ัมป an ีธรรมังสรนังคัจฉามิธุติยมปีสังคังสรนังคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสรนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนงามิาตยมปีมังสรนังคัจฉามิตติยัมปีมังสรนังคามิาตยมปีสัง สังขังสรนังขจามิตาทิยมปปสังขั ง, งสรนังขจามิปาณาติปาตาเวรมัมณีติกฆาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวาคาปัทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวรมัมณีติกฆาปัทังสมาธิยามิ อาปรัมมะยาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธยามิอารัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทงสมาธิยามิโมาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังมทียามิ สุาวาธาเอระมณีสิกขาปัทังสมาธียาสุราเมรยมัจจปมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธียามิสุราเมรยะมัจะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิการโภชนา เวรามณีจิกาปาทางธรมาธิยามิสิตาโอชนาเวรามณีจิกางรรมะทิยามินัจจาทิตาอวติตาวิสุาทัศนมาลาขันธวิเลปนัธารณนาฑดนาวิปูชนัทธานา เวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามินัจคีตาวาทิตะวิสุขทัศนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันนะวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามิโนจายานามาสยานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิผุจ่าสยามะมหาสยาะเวระมณีสิกขาปัทังสมาธียามิมานิอัตตาสิกขาปัธานิสิเลนะสุกระดินตีสิเลนะโพกสัมปทา สิเลนะนิปุติงยันตีตัตสมาชิลังวิโสทะยีสาธุครับกราบน้ำส ก, การหลวงพ่อเอี้ยนครับด้วยยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทย ในหลักสูตรมักานุคาโดยอาจา ร, รย์ประเสริฐอุทยัยเฉลิมและผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณเวลานี้กว่า170ท่านนะครับที่เข้ามานั่งฟังก็ ข, ขอกราบนมัส ก, การแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อเอี้ยนนะครับที่เดินทางมาจากพัทลุงเพื่อมาแสดงธรรมโปรดพวกเราผู้ที่กาลังเดินทาง ข้าสู่ขนถ่ายการพ้นทุกตามคำของพระบรมศาสดาด้วยการเจริญอริยมรรคมีงค์แปดเวลานี้ก็ขอกราบอาราธนาหลวงพ่อนะครับโปรดเมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเราทุกๆคนได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่ตอไปครับขอกราบอาราธนานิมนต์ับ เจริญพรท่านพูดสนใจในการปฏิบัติธรรมทุกๆท่ทานบัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรมเราฟังกันจนนับไม่ท้วนแล้วควังธรรมแต่ทำไมยมันไม่ไปถึงไหนเลยบางคนแต่บางคนก็ พอลิบลิบลีห ล, ลีบางคนก็เพียงแต่ตั้งความหวังเอาไว้มันยังขาดธรรมะอยู่สี่ข้อธรรมะสี่ข้อนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ต้องปฏิบัติมาก่อนต้องเอาธรรมะสี่ข้อนี้มาปฏิบัติแล้พระองค์ก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราทุกคนมีฤทธิ์อยู่ในตัวของตัวเองแต่เราไม่รู้ว่าเรานี่มีฤทธิ์ฤทธิ์เนี่ยก็เรียกว่าอิทธิอิทธิอิทธิบาทอิทธิบาทสี่บางคนก็จําได้อิทธิบาทสี่นี้คือคําที่หนึ่งที่ว่าฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจอันนี่เราต้องชั่งน้ําหนักดูว่าความพอใจของเรานี่ขนาดไหน เต็มเปี่ยมหรือเปล่าถ้าความความพอใจนั้นเต็มบ้างไม่เต็มบ้างมันก็ช้ามันทำให้ช้าฉะนั้นเราจะต้องทุ่มเทความพอใจอันนั้นในเรื่องการฟังก็ดีในเรื่องการเข้าใจก็ดีในเรื่องการคิดก็ดีถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจคิด นั่งธมาทิแล้วก็เอาไปคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดแล้วฝากไว้ก่อนตอนนี้ยังคิดไม่ได้ฝากไว้ก่อนเราก็อยู่กับองค์ภาวนาพอเราภาวนาไปภาวนาไปมันจะออกพรวดออกมาเลยนี่ดีกว่าเราถามถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็บอกได้อยู่แล้วแต่เสร็จแล้วเราไม่รู้จัก หาวิธีในการที่จะทำให้ปัญหานั้นมันออกมาได้หลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะไม่แก้ปัญหาให้แต่ว่าเราจะต้องแก้ก่อนแก้ให้มันถึงที่สุดด้วยการภาวนาภาวนาภาวนาภาวนาไปแต่เรื่องที่เรายังมีปัญหาอยู่ก็เหมือนกับว่าเราแมมโมรี่เอาไว้พอถึงเวลามันก็ออกพรวดออกมาเลย นี่คือต้องตั้งความพอใจอไว้ก่อนจะนั่นข้อที่หนึง่งความพอใจฉันทะข้อที่สองวิริยะคือความเพียรความเพียรจะต้องต่อเนื่องข้อนี้ขาดกันมากหลวงพ่อก็บอกว่าต้องต่อเนื่องต่อเนื่องทํายังไงต่อเนื่องหลายคนที่ไปปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ หรือว่าคนที่เคยฟังหลวงพ่อก็สอนอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่กูไม่ใช่กูอไอภาวนาว่าไม่ใช่กูหายใจเข้าไม่ใช่กูหายใจออกไม่ใช่กูเอ๊ะใครที่มันนั่งอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมมันเห็นไหมนี่แล้วมันคือปัญหาแล้วปัญหาแล้วไอกิเลสกิเลสมันพูดว่า แล้วใครนะที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่กูแล้วใครนั่งนะเ่ะอทีนี้ปัญญาก็บอกว่ามึงนะที่มึงนะที่มันไม่ใช่กูถ้ากูกูต้องบังคับมึงได้แต่นี้พอผมงอขึ้นมาเส้นหนึง่งเอา้าอย่างอที่เส้นที่สองอย่ามีเส้นที่สามอย่ามีได้ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่ได้บังคับไม่ได้แม้แต่ผมก็ไม่ใช่กูมันไม่เชื่อ เล็บ ก, ก็ต้องตัดกันอยู่บ่อยๆเนื้อหนังก็ต้องเหยียวต้องย่นเห็นไหมนี่มันไม่ใช่กูทานอาหารเข้าไปแล้วไม่ตายเอาเราก็อยากจะตายแต่มันไม่ตายเห็นไหมมันก็ไม่ใช่กูเหมือนกันนั่นแหละคือไม่ใช่กูทางนั้นเลยไม่ใช่กูทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกูบอกว่าให้ตายมันก็ตายเอาแต่นี้มันไม่ตาย ดือร้อนทีนี้ก็เดดร้อนเนยทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่กูทางนั้นแหละไอ้อรู้ว่าไม่ใช่กูทีนี้คำว่าไม่ใช่กูก็คือว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูว่างจากตัวกูหนึ่งเราก็ไม่เห็นพอพูดว่าว่างอย่างนี้ก็คิดว่าว่างมันก็ไม่มีอะไรที่ทำไมมันไม่มีลนะ่ะมันมีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่เราไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นมัน มันจึงว่างว่างที่ตรงไหนทําจิตมันว่างก่อนไม่ใช่ว่างเปล่าว่างไม่มีว่างไม่มีตัวเราไม่มีตัวเรานี่มันไม่มีเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันเห็นไหมเอาทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสกะโมกราตโมกราตนั่นอยู่ในประเทศอินเดียในสมัยโน้อนอยู่ทางใต้ทางทิศใต้ของ ประเทศอินเดียตัแตบแม่น้ําโคทาวรีโนนทีนี้พอยุคนั้นก็เรียกว่ายุคมิกสันย อ, อยุคอุปนิสัตยุคอุปนิสัตนี่ใครใครกดโสเองหาพระนิพพานกันทางนั้นเลยเอา้าวพอพูดเรื่องพระนิพพานเราคิดว่าพระนิพพานคือตายมันไม่ใช่ตายมันไม่ใช่คนตายพระนิพพานนิพพานเปรียวเย็นเย็นเพราะอะไรเพราะ กิเลสราคะาโทสะโมหะมันดับเพราะกิเลสคือราคะโทสะโมหานั้นมันดับจิตนั้นก็เลยเย็นแต่ถ้าราคะโทสะโมหานั้นมันเข้าไปอยู่ที่จิตเวลาใดเวลาหนึ่งมันก็ร้อนขึ้นมาราคะก็คือความอยากไม่ใช่ว่าอยากจะเฉพาะแด่ระหว่างเพศมันอยากทุกอย่างที่ขวางหน้า เหมืนเขบอกว่ามันซื้อมันทุกอย่างที่มันขวางหน้านี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากไอ้ตัวอยากตัวนี้เรียกว่าราคะอ้นี้เมื่อมันไม่พอใจก็เรียกว่าโทสะนี่เมื่อมันโง่ก็เรียกว่าโมหะเห็นไหมไอ้นี่ราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันเป็นเจ้าเรือนเราไปแล้วตอนนี้มันบังคับเราไม่ใช่เราบังคับมันมันบังคับเรา เราบอกว่าไม่ใช่กูมันก็เถียงมันก็เกถียงทีนี้เถียงทํำยังไงเราก็ภาวนาภาวนาภาวนาภาวนาทับมันไปเลยเอาภาวนามันไปภาวนาไปภาวนาไปภาวนาเสร็จแล้วพอเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เอามาคิดเอามาคิดว่าเป็นยังไงฟันเป็นยังไงเนื้อหนังเป็นยังไงผอมเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนี่เราดูดูที่ตรงนั้นดูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง ฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจเข้าใจว่า อ, อนิจจังคืออะไรพอเสร็จแล้วอกิเลสนะมันถืออะไรกิเลสมันถือว่านิจจังนิจจังนิจจังทุกอย่างเที่ยงทางนั้นเลยทุกอย่างคงที่ท้งนั้นเลยนั่นแหละมันโกหกเราจนเราเชื่อมันจุดหัวจิตหัวใจเราเชื่อมันเชื่อกิเลสไอ้นี่มันก็พูดว่านิจจังกิเลสมันพูดว่านิจจัง แต่ปากของเราพูดว่าอานิจจังอนิจจังเนี่ยแปลว่าไม่เที่ยงนิจจังเน่ยแปลว่าเที่ยงเราก็ว่าอานิจจังแต่มันเทียมว่านิจจังเห็นไหมนี่แหละเราต้องเห็นอนิจจังก่อนนี่คือบันรดาคันแรกที่เราจะต้องรู้จัก ว่าทุกอย่างทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้อนิจจังอนิจจังอนิจจังบันไดกั้นแรกเห็นอะไรก็อนิจจังอนิจจังอนิจจังได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสรู้อารมณ์ต่างๆอนิจจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังเอาไว้นี่ให้ออนิจจังเอาไว้หายใจเข้าอนิจจังหายใจออกอนิจจังให้เห็นความเป็นอนิจจังนั่นแหละความไม่ใช่กูมันก็เริ่มที่จะเกิดขึ้นแล้ว ทีนี้ไม่อย่างนั้นมันก็กูกูก็คืนนิจจังเห็นไหมกูก็คืนนิจจังแต่ไม่ใช่กูมันเริ่มต้นจากอนิจจังทีนี้พอไปอของกิเลสขวายกิเลสขวายกิเลสคือนิจจังฉุกขังอัตตานี่ทีนี้อีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงอะไรอีกฝ่ายนั้คือฝ่ายปัญญาฝ่ายปัญญาก็อนิจจังทุกขัง อนัตตาเห็นไหมมันไปคนละเรื่องเลยดังนั้นเราต้องอนิจจังแล้วก็ทุกขังอนัตตาอนิจจังคือทุกอย่างไหลไหลไหลไหลไหลไหลเหมือนกับน้ําที่มันไหลไหลไหลไหลไหลไหลการน้ํามันไม่ไหลเลยมันท่วมบ้านพวกเราได้ยังไงอะตอนที่น้ํามันท่วมหนักน้ํามันไหลที่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราโอ้นี่ อนิจจังนี่น้มันอนิจจังีอนิจจังนี่อนิจจังบางคนเห็นทำเลยเห็นอนิจจังเลยแต่บางคนกลัวมีแต่ความกลัวก็เลยไม่เห็นอนิจจังน้ำก็เป็นอนิจจังใบไม้ใบหนึ่งก็เป็นอนิจจังเป็นอนิจจังทั้งนั้นทุกอย่างในโลกในจักรวาลนี้มองไม่เห็นเพราะว่านิจจังมันเข้าไปก็ติดแน่นมันติดแน่นนิจจังมันติดแน่น ดังนั้นเราจะต้องแก้มันด้วยความเป็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังอันนี้นนนนสุขขังสุขขังเราคิดว่าเมื่อเราเห็นเข้าไปชอบเออนั่นแหละความสุขมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลอมทั้งนั้นจอมปลอมทั้งนั้นพอทางเชียงใหม่ก็โคตรธนาว่าโอ้นี่งานยิ่งใหญ่มาโอารานที่สุดในปีนี้ ดอกไม้เป็นพันพันชนิดออกมาจากประเทศโน้นประเทศนี้ประเทศนั้นไม่มีที่ไหนเท่าแล้วปีนี้ถ้าใครไม่มาก็ไม่รู้หละต้องมากันนี่ต้องมากั น, ก, นก็ไปที่ไปหนึ่งเสียเงินท่องไปดูอะไรไปดูอนิจจังดอกไม้ตั้งหมดนั่นแหละก็ชื่อดอกอันนั้นดอกอันนี้ดอกอันนี้ไมู่้ว่าจากกัวโลกไหนมาแล้วก็ดอกอะไรดอกอนิจจังทางนั้นเลย เห็นไหมดอกอนิจจังมันพุ่มๆขึ้นมาพอตอนสายหน่อยมันบานพอเที่ยงก็พอเทียเท่ยก็บานถึงที่สุดอพอตกบ่ายก็ยยยเหี่ยวลงไปทีละนิดทีละนิ ด, ลนดแล้วดอกไม้หน่อยที่ไม่ใช่ดอกอนิจจังอดอกอนิจจังทางนั้นเลยนี่เห็นไหมแม้แต่ดอกไม้เขาก็เลยเลยโฆษนะให้พวกงโงน่นั่นแหละไปดูอนิจจังกัน เสร็แล้วมันก็ยังไม่รู้จักอีกนั่นแหละว่าอนิจจังอู้สวยจริงสวยจริงพอพรุ่งนี้เป็นยังไงตื่นกันตั้งแต่ไม่กันรสว่างโน่นคนงานตื่นดอกไหนเหี่ยวตัดทิ้งใบไหนเหี่ยวตัดทิ้งเห็นไหมนี่ตัดทิ้งหมดตัดทิ้งหมดแล้วก็ดอกใหม่ก็ผุดขึ้นมาใหม่อีกแล้วเราก็โง่ตามเคยอีกตามเคยอีกนี่เห็นไหมดอกอนิจจังทางนั้นเลยทีนี้ดอกอนิจจังที่ดอกไม้พอเราเห็นดอกไม้เป็นอนิจจัง น้อมกะหมาหาตัวเดี๋ยกว่าน้อมกรมาหาตั ว, ว, นนตวแล้วกว่า น, น้อมกมาหาจิตโอ้จิตคิดเรื่องนี้เอาแต่แล้วดับไปคิดเรื่องนี้ดับไปคิดเรื่องนี้ดับไปจิตมันก็เป็นอนิจจังเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละดอกอนิจจังทางนั้นอนนี่ยังไม่รู้จักตัวเองวนี่ดอกอนิจจังทางนั้นบางคนก็กำลังนุมบางคนก็กำลังสาว บางคนก็แก่กลางคนนั่นแหละดอกไม้ก็ร่วงโรยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดนั่นแหละดอกอนิจจังทางนั้นเราไปเห็นคนสวยโอ้ยสวยดาราคนนี้สวยราราผู้หญิงก็สวยดาราผู้ชายก็หล่ อ, อมันจะอยู่ได้กี่วันพอตอนสายมันบานพอเสร็จแล้วพอตอนเย็นเหี่ยวแล้วมันก็เหี่ยวแล้วนี่ เหมือนกันแหะเหมือนกันให้เรารู้จักว่าอนิจจังมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทีนี้อนิจจังจริงๆปั้นต้องอนิจจังที่จิตอันอนิจจังที่จิตเพราะทุกอย่างจิตรับมาพอรับมาแล้วรู้แล้วจิตรู้แล้วแต่ว่ารู้โง่โงคือรู้แบบอวิชชารู้แบบอวิชชาก็รู้พอรู้เสร็จแล้วก็เอ้ปล่อย ปล่อยคือมันมันปล่อยไปเองเราไม่ได้ปรารถนาที่จะปล่อยมันเราเลยติดอยู่ติดอยู่ที่ตรงนั้นติดทีด่จิต ด, ดารานี่หลวงพ่อไม่ดูมาสักสามปีได้โทรทัศน์เนี่ทีนี้ออกมาดูข่าวพอดูข่าวเปิดไปเปิดไปเปิดไปเอา้าโอยไอคนประกาศข่าวนี้หมดแก่แล้วปีนี้อแต่แล้วก็ดูไอดาราคนนั้นไอดาราคนนั้นปากฉีกเลยแหมเขาคิดว่าโอ้ยมันสวยยิ้มสวย แต่หลวงพ่อเห็นว่ามันน่าเกลียดที่สุดเลยนี่ถ้าเอ า, าเปลือกปากมันออกนี่น่าเกลียดที่สุดเลยแม่นมันสวยที่ตรงไหนเลยนี่แมมันน่าเกลียดจริงๆเลยเพราะฉะนั้นนี่เราไอ้รู้ว่าอนิจจังเนี่ยมันเป็นยังไงอนิจจังเป็นยังไงเนี่ยทีนี้เราดูที่เขาใส่ครอบมงกุฎกันไปมั่งอันนั้นอันนี้อันน้นก็ใส่เข้าไปถ้าตอดพวกนั้นออกไป ห, หมดเปลือยกายเอาเปลือยกายเสร็จแล้วไม่พอเอาหนังรูดหนังออกไป ห, หมด อาเหลือแต่เนื้ อ, เ, อเนื้อออกไ้หมดมีเอ็นเอ็นออกไป ห, หมดกระดูกอะไรเนี่ยนี่เราที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้แหละมีข้าง น, น้อยเนยขาใส่ไว้ใส่กระดูกไว้ก้างน้อยทางนั้นเนี่ทีนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอนิจจังนี่แหละอนิจจังเอ็นี่ให้ในอนิจจังนั้นแหละเราคิดว่าสุขขังโอ้ไปดู ตอนที่ตัวเองกําลังที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวพอไปดูในกระจกโอ้ยนี่ฉันเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นทุกวันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นยังไงในสมัยนี้เขาก็มีอะไรมากมายกายกองจนหลวงพ่อพูดไม่ถูกมันปลอมทางนั้นเลยอะไรก็ปลอมปลอมปลอมปลอมอ้าวใช่อะไรขนตาปลอมคิ้วปลอมควันปลอมปากปลอม แล้วก็เอาอะไรแดงๆทาก็ที่กแก้มอีกก็ ป, อ ป, ล, อปลอมปล่อยไปลปลอมมามาหน้าอกก็ปลอมอีกแล้วโอยอะไรปลอมกันโอ้ยทาทาหัวเข่านั่นไม่ได้ปลอมกันเขาคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกนะก็รู้ก็รู้กันทางนั้นน่ะของปลอมทางนั้นเลยทีนี้ถ้าผู้สูงอายุแล้วโอ้ยดูหน้าตายังตึงอยู่รั่วไว้ด้วยนั่นฉีดแล้วฉีดแล้ว สเตนเซมใส่ก็ไปแล้วนั่นเลยใส่สเตนเซมแล้วเห็นไหมนี่พร้อมทางนั้นเลยเพราะจากนั้นนี่เขาคิดว่าจุกขังแต่เสร็จแล้วไม่ใช่เพราะเราข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกขังนี่มันเป็นทุกขังมันไม่ใช่จุกขังเราไอเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาอนี้ไอข้างล่างนะนะตัวข้างล่างตัวกิเลสนิจจังแต่ก็ฉุกขัง นี่ก็อัตตานี่ ziej, ของกิเลสทีนี้ถ้าของสติปัญญาอนิจจังทุกขงัง อ, อนัตตาเห็นไหมนี่แหละมันต้องดังนั้นเราจะต้องภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูพอไม่ใจกูเราก็เห็น อ, อนิจจังเห็นนิจจังเป็นอนิจจังเห็นสุขขงังเป็นทุกขงังเห็นอัตตาเป็นอนัตตานี่ อ, อนัตตา อนัตตานี่แปลว่าไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวกูนั่นคืออนัตตาอนัตตาทีนี้บางคนาการจัดการเขาไปหาหลวงพ่อกขบอกหลวงพ่อไอภาวนาว่าไม่ใช่กูนี่มันยากนะหลวงพ่อนะโอ้คุณไปพูดกับกิเลสว่ากิเลสจ๋า ไม่ใช่อีฉันจ้าอืโอ้กิเลสหัวร้อเลยเดกากเลยอย่างนั้นกากเลยพอคุณไปนอบน้อมมาเนอะไปนอบน้อมกิเลสไปบอกกิเลสลยไม่ใช่ครับไม่ใช่กูไม่ใช่กระผมครับนี่ยิ้มเลยกิเลสหวัวเราะคากเลยทีนี้ต้องเอาให้ถึงกระดูกมันกิเลสนั่นไม่ใช่กูบอกว่าไม่ใช่กูนี่ไม่ใช่กูอ่านี่ง่ายงาย่เราปฏิบัติเนี่ย ง่ใยใจกูไม่ใช่กูไม่ใช่ใกูเอาก่อนที่จะมานี่หรือว่าเรามาแล้วแต่ว่าเอาข้าว้องน้ําห้อ ง, องทาอะไรข้าวไปในห้องอดูกระจกหน่อยหนึ่งดูกระจกเสร็จแล้วถ้าหากว่าไม่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องพรมแป้งพรมอะไรหวีผมอะไรว่ากันตามเรื่องแต่เราปฏิบัติก็เ ร, เราปฏิบัติเราป้องกันที่ตรงไหนพอข้าวใกล้กระจกอย่างนี้จะหวีผม ไม่ใจกูไม่ใจกูดูหน้าก็ไม่ใจกูดูตาดูผมอยู่คิ้วดูคางไม่ใจกูทางนั้นไม่ใจกูทางนั้นเลยไม่ใจกูไว้ก่อนป้องกันไม่อย่างนั้นกูนี่แหละมันข้าวเนื้อข้าวกระดูกเลยเลสอนมันยากทีนี้มันก็เถียงเราเรื่อยเลยไอย่างนั้นมันเถียงเรื่อยนี่ต้องเอาไม่ใช่กูออกไว้ก่อนอีนี้การปฏิบัติถ้าเราไม่เดินทางอห็อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ มันไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นต้องเห็นอนิจจังไม่เที่ยงอย่าเห็นนิจจังนิจจังนี่มันเห็นตั้งแต่เล็กๆจนโตจนถึงขนาดนี้มันก็ยังนิจจังนิจจังนิจจังอย่างนั้นมันเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเห็นดอกไม้ก็อนิจจังเห็นคนที่สวยๆงามๆก็อนิจจังเห็นอะไรก็อนิจจังอนิจจังอนิจจังเริ่มแล้วคนนั้นเริ่มแล้วสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้ว ทีนี้เราถามตัวเองว่าปฏิบัติมากี่ปีแล้วนีและปฏิบัตินี้ไหนจุดหมายปลายทางมันอยู่ที่ตรงไหนต้องรู้ด้วยจุดหมายปลายทางอยู่ที่ตรงไหนกลางทางมันอยู่ที่ตรงไหนปักทรงเอาไว้กลางหน้าปักทรงเอาไว้กลางหน้านูน่นตรงสีเหลืองทรงสีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าธงชัยของพระอรหันต์นั่นรงชัยของพระอรหันต์คือสีเหลือง ก้าวนิทานในความหน่อยหนึ่งท้องใจของพระอารหันต์ศักดิ์สิทธิ์คนจะเอาผ้าพระนี่ไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้พระศักดิ์สิทธิ์ที่นี้มีเป็นยังไงมีคนหนึ่งเอาผ้าของเรียกว่าเป็นนายควานเอ่อเป็นไอ้คนฆ่าช้างตอนนี้ก็กําลังดังอยู่เรื่องฆ่าช้างาทาางี่นี่นายนายพรานคนนั้น เขาก็สังเกตการสังเกตการว่าช้างมันมาทางไหนมันเดินไปทางไหนมันมายังไงมันกล่องหนึ่งมันมีกี่ตัวเส็ oh. จแล้วพอไปถึงมันเห็นพระอริยเจ้าคือเห็นพระอรหันเนอะพอเห็นพระอรหันมันก็เลยน้อมหัวลงไปแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวน้อมหัวลงไปแล้วก็เดินน้อมหัวลงไปแต่เดินเดินไปเป็นแถวทีนี้เราดูที่บางคนเนอะ ก้าวใกล้พระเดินตัวตรงดิ่งเลยไม่รู้จักคล้องตู้จ้างก็ยังไม่ได้ทีนี้นายพรานเขาต้องการที่จะเอางาช้างเมื่อต้องการที่จะเอางาช้างเขาก็ต้องฆ่าช้างฆ่าช้างเขาก็หาหนโยบายเออช้างตัวนี้ทำไม่พอไปเห็นนักบวชคนนั้นคนน้อมหัวน้อมกายลงไปทุกครั้งเลย อ๋อเพราะผ้าเหลืองนายพรานคนนั้นได้ทีมีพระรูปหนึ่งลงไปอาบน้ําในสระก็กองจีวรไว้สระมันกองจัดกงเลนเล้วก็ลึกลงไปอะ่ะทีนี้ก็ไปไปขโมยไปขโมยจีวรของพระอพอจีวรได้จีวรของพระก็ ร, รู้เวลาช้างน่ะมันเดินแถวเวลาหน่อยประมาณเก้าโมงสิบโมงมันไปหาอาหารนี่ นายพรานกนนั้นก็มีธนูแต่ก็มีดอกศรดอกศรที่อาบด้วยยาพิษทีนี้พอมันไปถึงก็มันก็ไปนั่งกลุ้มโปองอยู่ทีนี้ไปนั่งกลุ้มโปงทางใกล้ๆทางที่ช้างผ่านนั่นแหละทีนี้เมื่อนั่งกลุ้มโปองอยู่ช้างพอได้เวลาประมาณเก้าโมงสิบโมงเช้าก็ไปหาอาหารช้างหัวหน้าขโขงนะ่ะ เป็นช้างเรียกว่าพระยาชัดทันหัวหน้าโขลงก็คือเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยหนึ่งแต่นี่คือเขาเขาเราก็อย่าไปเชื่อมากเกินไปพระยาชัดทันก็คือเขาบอกว่านั้นเนี่ยคือพระยาช้างพระยาช้างทีนี้ก็นำหน้าพระยาช้างนำหน้าเพรามสรสบตัวนำหน้าไปเดินเป็นแถวพอช้างตัวที่สาสิบ เดินมาเดินมาพอจะรับหลังหน่อยนายพรานกนนี้ก่ยิงดอกศรนั่นแหละที่อาบด้วยยาพิษนนัแล้วก็เลยพอยิงไปถึงช้างก็โดนยาพิษกัตายทีนี้ตายทีนี้แกก็เอาเนื้อไปขายเอางาไปขายทําอยู่อย่างนั้นบ่อยๆทำอย่างนั้นบ่อยๆเป็นยังไงพระยาจัดกานก็เอ๊ะลูกน้องหายไปไหนตั้งหลายตัว มันต้องมีอะไรผิดปกติก็คิดไปคิดมาเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาเกิดขึ้นก็คิดแล้วนั่นคือคนฉลาดคนฉลาดต้องแก้ปัญหาได้เท่นีม้มันน่าจะพระสงฆ์รูปนั้นแหละที่มานั่งกลุมโปองอยู่เพราะมันไม่หเห็นสีสานนี่พระจงองนั้นแน่ก็เลยอ๋อให้ลูกน้องเดินไปหน้าทีนี่วันนั้นให้ลูกน้องเดินไปหน้า แต่พระยาจักรธานนี้ก็เดินหลังท้ายสุดพอได้โอกาสก็ท่านก็ระวังอยู่แล้วนี่ระวังอยู่แล้วทนี้พออยู่ท้ายสุดนายพรานก็เอาจีวร อ, ออกเอาลูกศรมาถึงก็เล็งไปพอเล็งไปพระยาช้างมาถึงก็เอางวงมัดเลยมัดเลยตั้งใจว่าจะคว้ากับต้นไม้ให้ตายเลยแต่ว่าเป็นยังไงคิดขึ้นได้คิดขึ้นได้ดไดอ๋อนี่ เขาเอาพระจีวรคือธงชัยพระอาหารหันนี่เอามาคลุมเก้าวโอ้ถ้าเราฆ่าเขาก็คงจะบาปหนักเราคงจะบาปหนักทีนี้ทอย่างไงก็เลยสอนมัดเด็ดเลยสอนสอนในในคนนั้นแหละนายพรานนั้นเนี่ยบอกว่าอย่าทําอย่างนี้อีกต่อไปถ้าทําอย่างนี้เลยฉันจะไม่ไว้ชีวิตของแก่แล้วเห็นไหมนั่นเพราะเคารพอะไรเค้าเคารพธงใจของพระอาหารหัน นี่พูดเรื่องพระอาหารหันต์เพราะฉะนั้นเราต้องการคือพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี่คือเว้นเว้นอะไรเว้นทุกอย่างไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาดีไม่ทําเออชั่วไม่ทําแต่ดีทําทําแล้วไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นนั่นเรียกว่าดีแต่ทําแล้วยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ดียังไงอ เราทำไปร้อยหนึ่งคอยได้พระนิพพานตึ้โอ้ยอย่างนั้นก็ได้กันเยอะแล้วพระนิพพานอะ่ะอืมมันไม่ได้อย่างนั้นมันขายขายขายออกกาไรเกินควรไม่ได้ทำหมื่นก็ไม่ได้ล้านนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ทางนั้นเลยทําดีแต่อย่าไปเอาดีทําดีหลวงพ่อนี้ให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนเมื่อหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้ ขนาดว่าวันเกิดหลวงพ่อนี่นะนี่พอยมก็ทําบุญหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้ไปบ้างแล้วเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้วันเกิดหลวงพ่อเดิอนพลฤศจิกาหลวงพ่อทําไปล้านกว่าหลวงพ่อกห้ให้ให้ห้ให้ตุนการศึกษาให้คนที่เรียนแพ้ะตาไว้พระให้เครื่องช่วยให้ใจหลวงพ่อให้ให้ให้อย่าหวัง นั่นคือเราทําดีอย่าหวังว่าโอ้เราให้แล้วขอให้เราได้พระนิพพานเจอขอให้ได้ไปสวรรค์เถอะไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรทางนั้นเลยให้กิเลสของเราเนี่ยความตระหนี่ขี้เหนียวอะไรต่างๆให้มันหลุดออกไปให้หมดหลุดออกไปให้หมดนี่ถ้าเราให้แล้วเป็นยังไงถ้าเราให้แล้วมันก่นั้นแหละคือดีดีด้วยการให้ดีด้วยการให้แต่เราก็ไม่หวังไม่เอาดีเราให้กนโน้ แล้วคนนี้เอามาให้เราอีกนี่หลวงพ่อตอนที่มาเมื่ อ, อาวานเนี่ยมาเป็นยังไงจัดกระเป๋าเล็กๆมาไม่เอาใหญ่ๆกลัวว่ามันจะเต็มแน่นอีกเอามามีผ้าเช็ดตัวมีจีวรมีสบงออกมาสำรองเอาไวาา้วันนี้ก็ไปฉันอาหารบ้านโยมก็นิมนต์ไปฉันอาหารกวาามาอีกแล้วสองไตรเอาหลวงพ่อแน่นอีกแล้วแน่นอีกแล้วเมือตะกี้นี้ มาอีกเตรนักอีกโอ้ยแย่หลวงพ่อแยกอีกแล้วแย่อีกแล้วแต่ว่าหลวงพ่อก็เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก็ถวายถวายต่างโน้นอ่ะก็ถวายอีกนี่หลวงพ่อมีแต่ให้ให้ห้ห้เพราะฉะนั้นเราทําดีชั่วไม่ทําแต่ทําดีทําดีแล้วไม่ต้องเอาดีถ้าไปเอาดีไม่ได้เราก็ไม่ได้ดีอีกถ้ามดว่าเนี่หลวงพ่อคิดว่าเออใครทําบุญก็ทํำไม่ทําก็อย่าทำ หลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเออเที่ยวนี้ต้องไดต้ตาวนั้นตาหนี้ดอกโอยโง่ไม่เอาหลวงพ่อไม่คิดไม่คิดห้ามไม่อย่คิดอย่างนั้นเด็ดขาดแต่ถ้าได้หลวงพ่อก็เอาไปช่วยเพื่อนมนุษย์นี่วันมะรืนนี้วันที่ยี่สี่หลวงพ่อก็ช่วยอีกแล 10, ้วหมื่นห้าอดสูงอายุหลวงพ่อดูแลผู้สูงอายุอายเมื่อก่อนอายคนละสามร้อยสามรอยสาสิบคนตอนนี้ก็ขึ้นราคาหน่อยอห้าร้อยเดือนนี้ ห้าร้อยทีนี้ต่อไปก็ห้าร้อยตลอดไปคือหลวงพ่อขอที่ดินเขาเจ็ดไร่ในตัวเมืองนั่นแหละขอได้เจ็ดไร่เป็นท้องนาตอนนั้นตอนนี้มันก็ราคาแพงแล้วได้7จ็ดไร่ได้เจ็ดไร่ทีนี้ไปบอกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาโอ๊ยไม่เอาเอาไปมอบให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่านี่ ถ้าจะขยายอะไรก็ไป ท, ำทํำดีนะไม่เอาให้นายกรเทศมนตรีไม่เอ า, เเม ไ, มเอาไม่มีใครเอาดังนั้นเลยหลวงพ่อนอนเป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้นอนเป็นทุกข์เป็นทุกข์พ่ อ, อ่อยเออเราได้ที่ดินมาเจ็ดไร่ราคาไม่รู้กี่ล้านเขาจะข้าวใจผิดข้าใจผิดเพราะว่ามันมีโฉนดอะไรเรียบร้อยหมดเดี๋ยวเขาคิดว่าหลวงพ่อจะเอาไว้เป็นตัวเองหลวงพ่อจะเอาทําไมหลวงพ่อไม่เอา ไม่เอาเด็ดขาดเด็ดขาดไม่เอาเลยทีนี้พอมีคนมีคนหนึ่งเขาไม่ไว้ใจหลวงพอ่อก็ก็ไปพูดไปพูดที่สวนโมกพอพูดสวนโมกมีคนหนึ่งได้ยินได้ยินเขาก็เลยมาที่นครศรีธรรมราชมาที่พัทลงุงมาบอกหลวงพอ่อบอกหลวงพอ่อทีนี้ก็ก็ไปที่คนนั้นแหละคนที่พูดคนที่พูดก็อยู่นครศรีธรรมราชแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ติดใจ เขาก็ไปสอนว่าคุณอย่าพูดอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้คุณจะบาปหนักนะถ้าคุณทําอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดให้มันมากไปเนี่หลวงพ่อเป็นทุกพอได้มาแล้วทีนี้พออยู่มาอยู่มามีเขาเลือกนายกเทศมนตรีขึ้นมาใหม่พอนายกเทศมนตรีคนนั้นแกให้ต้องการที่จะ <c oughs> ช่วยเหลือผู้สูงอายุแกก็เลยไปขอชจ้าโรงเรียนเขา โรงเรียนนั้นก็ไม่มีเด็กแล้วไม่มีเด็กแล้วมันล้มละลายแล้วก็ไม่ยากก็แม่แกรู้ยังไงก็ไม่รู้แกเลยขึ้นไปหาหลวงพ่อก็ขึ้นไปหาหลวงพอ่งพอบอกว่าเนี่ยผมจะ ท, ทําโขนคนชาราแต่ว่าหาที่หาสถานที่ไม่ได้ก็เลยบอกแกวันนี้คุณทําจริงไหมถ้าคุณทําจริงหลวงพ่อยกให้เลยเจดไร่หลวงพ่อยกให้เลยแต่คุณทําให้จริงนะคุณมีศัจดินะแกก็ทําทีนี้หลวงพ่อก็ช่วย ด้วยการที่ว่าขุดดินถมมั่งอะไรมั่งทําไปมากพาสมควรพอแก่ข้าวมาเกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะมีตัวอาคารขึ้นมาหลังที่หนึ่งหลังที่สองจนกระทั่งว่ามีคนขึ้นมาตั้งสามพันกว่าทีนี้พอสามพันกว่านั้นแหละเขาก็เลือกครั้งที่สองไปกลัวอะไรเลือกครั้งที่สองเพราะเลือกครั้งที่สองทานเสียงอยู่ที่จูนกลชนราหมดที่นี้ไหนกลชราสามพัน พอสามพันลูกอีกหลานอีกโอ้เป็นแถวเป็นแถวทีนี้มีพรักขวายการพรักขวายการก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อขึ้นไปแถวว่าหลวงพ่ออย่าข้าวข้างนายกเตสรมนตรีคนนั้นเกินไปอ่าไนี้ต้องเอาเสียงนะให้ด้านเขาบ้างหลวงพ่อบอกว่านี่คุณทําได้ไหมถ้าคุณช่วยเหลือคนผู้สูงอายุได้หลวงพ่อจะให้ทำไว่อย่างนั้นหลวงพ่อไม่ให้ ีนี้เป็นยังไงเขาก็ไปพูดหาเสียงหาเสียงก็ก็บอกเออถ้าเขาได้ในครั้งนี้เขาจะเอาศูนย์คนชาราแหละเป็นที่จอดรถให้หมดเลยอ้าวนี่เขไปหาเสียงอย่างนั้นสบายหลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นสบายโทรไปที่นายกบอกว่านายกพรุ่งนี้พอหลวงพ่อฉันอาหารเสร็จเอารถมารับหลวงพ่อทุกวัน เพราะว่าคนก็จะข้าวมาวันละกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มหลวงพ่อจะไปชี้แจงเขาพูดอย่างนี้คือเขาตีปัวหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่ิเริ่มขึ้นมาเองหลวงพ่อก็เลยไปบอกบอกว่าโยมอย่าแตกแถวนะแตกแถวไม่ได้อย่าแตกแถวทีนี้หลวงพ่อจะไปพูดเนี่ยเวลาวันพูดสูงอายุวันของในหลวงวันสมเด็จราชินี หลวงพ่อต้องไปพูดเขาต้องประชุมกันสามพันกว่าคนสามพันกว่าคนนี่เขประชุมกันหลวงพ่อก็ไปพูดพูดพูดก็เลยฐานเสียงนั่นกลายเป็นฐานเสียงเลยนี่เห็นไหมนี่หลวงพ่อว่าจะไม่เล่นเรื่การเมืองแต่การเมืองมันมาเล่นหลวงพ่อนี่แหละมันอย่างนี้เลยมันอย่างนี้เลยนี่ทีนี้หลวงพ่อก็เลยเก็บผู้สูงอายุสามสิบคนที่ยากจนที่สุดอ่เอา้า มารับเงินไปก่อนละสามร้อยสามรสองปีแล้วปีนี้ดอกขึ้นก็เลยให้อาร้อยเลยนี่นี่แหละการเป็นไปเป็นมาเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่หลวงพ่อทํามันหลายเรื่องมากที่พัะตลุมแต่หลวงพ่อไม่อยากดังหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็ดังดังเวลาหลวงพ่อจับมไม้พอเอาไมออกมันก็ไม่ดังแล้วนี่หลวงพ่อดังแค่นั้นะไม่เอาดังก็ไม่เอา อะไรก็ไม่เอาไม่เอาต่างนั้นหลวงพ่อไม่เอาเพราะฉะนั้นนี่คือเกี่ยวกับว่าหลวงพ่อต้องช่วยเหลือที่นี้เราทุกคนต้องทำความดีเรามาอยู่ที่นี้มากินที่นี้มาปฏิบัติธรรมที่นี้เราทำความดีเมื่อเรามาทำความดีทำให้ตัวเองก่อนตอนแรกนะทำให้ตัวเองหลวงพ่อนี่พยายามพยายามพยายามใครบ้าง ไปอยู่ชวนโมกสิบปีกว่านี่แล้วก็ไปอยู่ขอบวชแต่ท่านอาจารย์ไม่ให้บวชสามคนไปรออยู่ไม่ได้บวชไม่ได้บวชที่นี่พอปีที่สิบแล้วขึ้นปีที่สิบแล้วพอขึ้นปีที่สิบแล้วหลวงพ่อก็อโอ้ต้องปฏิบัติแล้วต้องต้องปฏิบัติแล้วหลวงพ่อรับแขกรับแขกใครไปก็ตอนรับหมดมีหน้าที่หนึ่งรับแขกสอง ดูแลคนงานสร้างโรงพยาบศพทางวิญญาณแล้วเรื่องนี้ก็เสร็จไปแล้วทิ้งเสร็จไปแล้วเรื่องรับเกล็ดหลวงพ่อมาอยู่ก็ก็รับได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เลยตั้งหน้าตั้งตาไป่ายลูกเสือค่ายลึกเสือนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่มีแล้วไข้ลูกเสืออยู่ติดกับวัดนั่นแหละก็วัดนั่นแหละใหต้ตอนนี้ก็ทําเป็นกุฏิพระเป็นอะไรหมดแล้วหลวงพ่อก็เอาเสือไปผืนหนึ่งาทานอาหารเสร็จ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวชนะยังไม่ได้บวชไปถึงก็ไปนั่งนั่งแล้วกดภาวนาภาวนาภาวนาภาว น, าต า, นต า, าตายเป็นตายเขาตายเป็นตายที่มันก็เกิดปิติขึ้นมามันเกิดสุขขึ้นมาเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกกตานั่นแหละนี่ค่อยไปศึกษากันพออย่างนั้นแล้วจนกระทั่งหลายวันหลายวันหลายวันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลวงพ่อก็เลยไปขึ้นอารมณ์กับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส อพออย่างนั้นก็ไปขึ้นอารมณ์ครั้งหนึ่งอย่างนั้นไปขึ้นอารมณ์ครั้งหนึ่งพอจบสุดท้ายสุดท้ายท่านอาจารย์พุทธทาสนี่มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หลวงพ่อได้ทีแล้วทีนี้ได้ทีเพราะว่ากล้าวจะขอบวชแล้วนี่เสร็จแล้วก็เออเธอบวชบวชได้บวช ไ, ได้แต่ว่าค่อยบวชน้าพรรษานี่ท่านอนุญาตแต่เสร็จแล้วสองคนเนี่ยไม่ได้บวชไม่ได้บวชนี่หลวงพ่อต้องอดทนอดทนอดทนอดทน อดทนทุกอย่างหลวงพ่อไม่กลัวไม่กลัวทางนั้นเลยทียนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสถามหลวงพ่อว่าแล้วทําหม่เธอไม่บวชกับเจ้าคณะภาคคืออาจารย์เดิมของหลวงพ่อที่เรียนบาลีท่านเป็นเจ้าคณะภาคสิบแปอ่าแต่ก็เป็นพระธรรมเป็นพระชั้นธรรมนี่หลวงพ่อชื่อพระครุยในทอนี่คือฐานาของท่านตอนนั้นก็ท่านก็เป็นราชากณนะชั้นรองสมเด็จ ทนรองสมเด็จแล้วแกนี้หลวงพ่ อ, พอก็พอท่านถามว่าแล้วทาไมเธอไม่บวชกับเจ้าคณะป้าก็เลยกล่าวตั้งใจที่มาบวชกับหลวงพ่ อ, พอกับพระเดชพระคุณแต่ตามที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกตามที่จริงนะคือหลวงพ่ออ่านหนังสือกู่มือมนุษย์เสร็จแล้วว่าพระองค์นี้ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระธรรมดาเราต้องไปบวชกับพระองค์นี้ไปเลยทีนี้ไปเลย ตอนนั้นขายป้าอยู่พอขายป้าเส็จแล้วบอกในห้างในาห้างผมจะออกแล้วนะผมจะไปบวชบ้าแล้วมึงบ้าแล้วว่าหลวงพ่อบอกไม่บ้านี่จริงหาลูกน้องไว้นะเจ็ดวันเลยจะไปแล้วจะไปแล้ ว, จ ะ, ลวจะไปบวชแล้วไม่ได้บวชที่นี่ไปไม่ได้บอกก็อยู่อยู่อยู่ยู่อยู่อยู่ไปอย่างนั้นอยู่ทําการทํางานอยู่ปฏิบัติไปฟังตามไป วังไปด้วยเวลาท่านบรญดาโกฟังไปฟังไปฟังไปฟังไปสะสมสะสมสะสมสะสมบารมีอยู่อย่างนั้นนี่จนกระทั่งว่าสิบปีกว่าหลวงพ่อได้บวชเพราะฉะนั้นนี่อดทนทีนี้เราทุกคนนี่ต้องตั้งความหวังไว้ไปถึงไหนจุดจุดท้ายของเราอยู่ที่ตรงไหนโน่นสีเหลืองโน่นที่เหลอืองอยู่ที่อยู่ที่ปลายทางก็คือเรียกว่าอะไร เรียกว่าภ้ากาสาวพัตภ้ากาสาวพัดอยู่ที่ตรงนั้นคือเรียกว่าภาคกาสาวะภ้ากาสาวะกาสาวะนี่ก็แปลว่าไอ้ผ้าที่ย้อมด้วยน้ําฝาด น, นั่นน่ยคือเรียก ว, ว่ารงใจของพระอรหันต์อยู่ที่ตรงนั้นทีนี้เราต้องมองตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ต้นทางหรือว่ากลางทางหรือว่าปลายทางเราอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ตรงไหนกันแน่ นี่เราก็ยอยู่ก็ทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกข้าวโคตกันไม่ได้หยดุดเผอไปข้าวกลุม่มว่าโอ้ยฉันข้าวไปสิบครั้งแล้วไม่ได้โรคกราบเลยสิบครั้งเพราะปฏิบัตลิลุ่มลุ่มดอนดอนลุ่มลุ่มดอนดอนการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เพียงข้าวโคตอย่างเดียวทํางานอยู่ที่บ้านซักผ้าก็ได้แต่ไม่ต้องซักแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมันมีถ้า ก, กับเครื่องตอนนี้ แต่ถ้าเราซักผ้าเราขยี้ผ้าเนี่ยไม่ใจกูไม่ใจกู้ไม่ใจกู้ไม่ใจกูนั่นให้ไอ้จกปลกนั่นแหละมั marginal, diary, นออก saber, นั่นแหละคือกูไอ้จบกับปลกนั่นคือมันกูอาบน้ำถูขี้ไกรกี้ใครนั่นแหละนั่นแหละตัวกูแล้วตัวกูแล้วถูขี่ใครออกไปที่จบกับปลกจบกับปลกกันอออกไปทีนี้ถูถูถูถูถูถูด้วยปัญญาถ้าถูด mhm. ้วยปัญญาเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอากระดูกออกไปเอาตัวกู้ออกไป เหลืออะไรทีเนี้ยมันจะเหลืออะไรนี่เราก็จะเห็นว่าอ๋อไอตัวกูนี่ที่เรานั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ตัวปลอมตัวปลอมทางนั้นเลยไม่ใช่ตัวจริงเลยตัวจริงมันต้องอมตะทีนี้เราจะได้ยังไงอมตะมันไม่ได้ถ้าเรายังขาดหนึ่งฉันทะไม่มีความพอใจหนักแน่นในการปฏิบัติสองวิริยะความเพี้ยนขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้ เดินก็ต้องภาวนานั่งก็ต้องภาวนานอนก็ต้องภาวนาทําอะไรต้องภาวนาต่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกภาวนาไม่ใช่กูทั้งนั้นเลยอ๋อบางคนเจ็บไายได้ป่วยอก็หลายหลายคนหลายหลายคนไม่ใช่คนเดียวหลายหลายคนพอเจ็บไายได้ป่วยถามหลวงพ่อเลยจะทํำยังไงหลวงพ่อก็บอกว่าก็ภาวนาไปที่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเสร็จแล้วเป็นยังไงจิตนั้นแหละ พอเราเห็นว่าโอ้นี่มันกําลังเจ็บอยู่กําลังเจ็บอยู่กำลังเจ็บเราก็ภาวนาทับไปเลยไม่เจะกูไม่จะกูไม่จะกูแล้วจิตตัวนั้นเลยตัวไอ้ปัญญาที่ฉลาดน่ะไอ้ตัวจิตตัวปัญญาที่ฉลาดมันจะออกจากร่างนี้ไปยืนไปยืนอยู่ข้างๆไปยืนดูอยู่ความเจ็บก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่แต่ว่าจิตไม่เจ็บจิตนั้นไม่เจ็บเอามาอย่างนั้นนี่มันไม่เจ็บทีนี้บางคนเขาโอ้ ตายไม่กลัวกลัวอะไรกลัวเจ็บไอ้กล <iggly> <badly> ัวเจ็บมันก็กลัวตายนั่นแหละแหมพูดทําเป็นเจ้าของจำนวนตามที่จริงเมันก็ตายทางนั้นแหละกลัวตายทางนั้นนี่เรียกว่าจิตไม่ว่างจิตไม่ว่างคือจิตเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือร่างกายเข้าไปยึดถือเวทนาเข้าไปยึดถือจิตว่าจิตเป็นตัวกูแล้วเข้าไปยึดถือธรรมชาติทั้งหมดเอาเป็นตัวกูเอาเป็นของกูนี่ยึดถือทางนั้น ยึดถือดังนั้นไม่ได้แต่อย่างนั้นไม่มีทางเลยไม่มีทางฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติต้องจริงจังหนึ่งฉันท้าความพอใจสองวิริยะความปาาเพียรสามจิตตะเอาจิตสยเข้าไปจิตที่ฉลาดนั่นใสยเข้าไปในจิตโง่น่ะใส่จิตโง่น่ะพยายามที่เอาจิตโง่น่ะออกไปออกไปให้จิตโง่น่ะมันออกไปจิตที่เป็นตัวกูน่ะให้มันออกไปแล้วก็จิตที่ว่า ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูนั่นคือจิตว่างจิตที่ว่างจากตัวกูจิตที่ฉลาดจิตว่างเนี่ยคือจิตฉลาดทีนี่หลวงพ่อบอกว่าจิตว่างเนี่ยจิตว่างเนี่ยนะมีโซรัสา ป, ปัญหาคือปัญหาสิบหข้อปัญหาสิบหข้อเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเมื่อยุคอุปนิสัตย์เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทางทิศเหนือของประเทศอินเดียที่นี่ทางทิศใต้ มันก็มีแบบว่าอาจารย์เหมือนกับอาจารย์เราในสมัยนี้แหละมีอาจารย์ที่ให้ให้อะไรให้พื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานให้แต่พื้นฐานทั้งนั้นเลยไม่มีอาจารย์ต่อยอดมีแต่พื้นฐานทีนี้พอเจ็ดแล้วอาจารย์นั้นลูกศิษย์ลูกศิษย์นั้นก็รู้ขึ้นมาว่าโอ้โน่นทางทิศเหนือของประเทศอินเดียทางทางเหนือนู้นเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็เลยบอกอาจารย์บอกว่าจะไป จะไปที่พระพุทธเจ้าจะไปศึกษาไปปฏิบัติที่โน้นอ๋ออยู่นี้แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปเนี่ยลูกศิษย์ก็ไม่เชื่อไม่เชื่ออ๋อเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเธอต้องการมรรคผลนิพพานก็เธอต้องไปแต่อาจารย์ก็เลยบอกว่านี่วัวตัวหนึ่งเขาววัวกับขนวัว น, นะอันไหนมากกว่าเนีลูกศิษย์ตอบว่าขนวัวมากกว่าครับกับผม อเออคนอัว น, นั่นคือคนโง่เขาอัวคือคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนโง่น่ะมันมากกว่าในโลกนี้ทีนี้เราไม่ไปเราเราอยู่นี้แหละอาจารย์บอกว่าเราอยู่นี้แหละเราหากินกับคนโง่อ่าทีนี้ลูกศิษย์ก็เลยไปแต่ลูกศิษย์เมื่อจะไปอาจารย์ก็จัดการเรียบร้อยจัดการผูกปัญหาให้ปัญหาคนละสองข้อถามข้อสองข้อถามข้อองข้อถามข้อไปตัดจบ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงไอ้นี่พวกนั้นรูปจิตพวกนั้นก็เดินกันทีนี้มันไม่มีรถไฟนี่สมัยนั้นอะสมัยพระพุทธเจ้ามีอย่างดีกว็ขี่นั้นเองทีนี้ก็เดินกันเป็นเดือนเดือนล้ไม่ใช่เดินกันวันสวันเดินกันเป็นเดือนพอไปถึงพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ทางโน้นอยู่ทางแาวัตถีอ่าอยู่ทางสาวัตถีติดเหนือของประเทศ อ, อินเดียนั่นแหละออกไปถึงพระพุทธเจ้าแกแล้วก็ พักเหน็ดพักเหนื่อยอะไรกันก็ここเข้าไปหาพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็ไปถามปัญหากราบกราบทูลพระองค์ว่ามาจากนั้ น, นจากนั้ น, นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทูลถามปัญหาทีนี้ก็ถามกันถามกันถามกันถามกั น, กนคนนั้นก็ถามถามเป็นเอาภาษาไทยนะภาษาบาลีเดี๋ยวโยมมึนอีกทนี้ก็ถามถามว่าอทํำยังไง ทำยังไงคนนี่อยากให้ตายนี่อยากให้ตายทำยังไงอยากให้มันตายเนี่ยอย่างนั้นนั่นเรียกว่าอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยอยนี้พระองค์ตรัสว่าหยุดไว้ก่อนของเธอหยุดไว้ก่อนใล้คนอื่นเข้าก่อนเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญไอ้นี้เสร็จแล้วพระองค์ก็เรียกเข้ามามาขอขอถามเป็นครั้งที่สามแล้วพระองค์ก็เลยอนุญาตอนุญา ต, ญาตทีนี้พระองค์ก็เลย ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าสุญญาโตโลกังเอาเวกขัดสุโมกราชะสทาจโตอัตานุติถิงอุหัจจะเอวังมัจจุตรโรโศยาเอวังโลกังเอาเวกขันตังมัจจุราชาณปัตสติทีนี้แปลว่ายัางไงแปลว่าดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติ มองโลกโดยความเป็นของว่างมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างสติในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีทั้งสติมีทั้งปัญญามีทั้งสติมีทั้งปัญญามองโลกโดยความเป็นของว่างทีนี้โลกในที่นี้เราคนหนึ่งก็โลกหนึ่งคนหนึ่งก็โลกหนึ่งคนหนึ่งก็โลกหนึ่งทำไมมันจึงว่างหลวงพ่อจึงบอกว่าให้เจริญ อนิจจังเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นนิจจังให้บองเป็นทุกขังไม่ใช่สุขขังสุขขังนี่เราเข้าใจผิดเช่นว่าเราดีใจหัวเราะไม่หยุดเอาหัวเราะจะครึ่งขั่วโมงดีน้ำมูกน้ำตาไหลทีนี้ได้มันเดี๋ยวมันก็จักตายเอาทีนี้นั่นคือดีใจอันแล้วกดเสียใจ เสียใจก็ร้องไห้ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นดีใจนั่นแหละนั่นแหละคือเรียวกว่าความสุขทีนี้ไอ้เสียใจเนี่ยคือความทุกข์ตกลงไอ้เท่ากันสองตัวนี้แหละเท่ากันมันใช่ไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นอนุตตรทุกขังหมดสุขก็คือทุกทุกก็คือทุกนี่ฉะนั้นเราต้องเห็นว่านิจจังให้เป็นอนิจจังสุขขัง ก็คือทุกขังจุกขังเนี่ยเขาเคลือบเอาไว้ยาข้างในมันขมแต่เสร็จแล้วเอาสีแดงๆมาเคลือบเคลือบเคลือบเคลือบโอมันน่ากินพอเสร็จแล้วมันขมข้างในมันขมนั่นแหละทุกขังเราคิดว่าจุกขังพอเอาไอ้แดงๆนั้นออกที่ไหนได้มันขมมันขมทางนั้นะขมทางนั้นเลยนี่อ่าไอ้เอานิจจังจุกขังอัตตาคือตัวตนออกไปเสีย ทีนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมกราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างโลกก็คืออะไรโลกคืออะไรคนคนหนึง่งโลกหนึง่งทีนี้จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนเราคิดว่าจุดศูนย์กลางของโลกโลกของเราก็หมายถึงโลกกลมมันไม่ใช่โลกกลมหรอก โรคของเราก็คือจิตนี่แหละมันรู้ด้วยจิตนี่แหละมันรู้โดยจิตทางนั้นเลยอะไรมันก็รู้ด้วยจิตทางนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นโรคโรคหนึ่งก็คือจิตเนี่ยมันต้องรู้หมดทีนี้เราก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกเหตได้เกิดโลกความดับโลกโขนทางให้ถึงความดับโลกนี่โลกคืออริยสัจสี่แล้วทีนี้พระองค์ตรัสว่าโลกภายในโลกภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือโลกภายในโลกภายในโลกภายนอกรูปเสียงกลิน่นรสสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสนะเรียกว่าโพธพภะแล้วก็อารมณ์ที่มากระทบใจนะเรียกว่าธรรมอารมณ์รูปเสียงกลิน่นรสโพธพิภะธรรมารมณ์โลกภายนอกโลกภายนอกนนี้พอเรารู้อนิจจัง ทุกขังอนัตตารู้ยังไงพอเรารู้โดยการเพียงแต่ว่ารู้โดยการอ่านรู้โดยการฟังต่อไปก็เข้าใจเราก็เข้าใจวันที่หลวงพ่อพูดนี่เราก็เข้าใจพะเราก็จะโอ้ใช่เราเอาไปภาวนาไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูใช่ใช่ใช่ทีนี้เท่แล้วก็ไปเห็นว่าอนัตตาเออมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะเราบังคับมันไม่ได้ มันไม่ใช่ตัวตนนี่หนึ่งอนิจจัง2องทุกขังสามอนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนมันก็ว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนเรียกว่าสุญญาตาสุญญาตาทุกอย่างมันว่างจากตัวตนทางนั้นแต่ทำไมเรามองไม่เห็นเพราะว่านิจจังทุกขังอัตตามันเข้าไปครอบหมดนี่มันเราเลยเห็นเป็นตัวกูแต่ทุกคนที่ เริ่ม ท, ที่จะมีดวงตาเกิดมาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นสุญญตาคือเห็นทุกอย่างว่างจากตัวตนทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติเห็นไสตินี้หมายถึงปัญญาด้วยนะท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างอามองโลกโดยความเป็นของว่าเพราะอะไร เพราะเราปฏิบัติให้จิตให้จิตมันเห็นจิตเห็นจิตเห็นใครเห็นจิตจิตฉลาดเห็นจิตโง่เห็นจิตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเนี่เห็นจิตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็เห็นจิตว่าเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนจิตนั้นแหละว่างจากตัวตน มันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนแล้วจิตนั้นสีมันก็ไม่มีแสงก็ไม่มีเรไรก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีเราไปยึดมัน่นถือมั่นวมันเป็นตัวกูมันไม่ใช่ความโง่ต่างหากจิตโง่ต่างหากก้าวไปยึดถือไปเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจ เ, าาเป็นตัวกูหมดแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวกูนั่นแหละเพราะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราให้จิตจิตนี่แหละให้จิตเนี่ยจิตดูจิตจิตฉลาดจิตที่เห็นจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและจิตนั้นเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตนั้นออกมาต่างตาทีนี้ตา ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปที่ตาเห็นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาและก็เป็นสุญญตาหมดเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนหมดนี่มันต้องมาจากจิตก่อนฉะนั้นต้องให้จิตเห็นจิตว่าจิตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนถ้าจิตว่างตาก็ว่างรูปก็ว่างแล้วก็จักกูวิญญาณความรู้สึกทางตา มันต้องมีความรู้สึกด้วยนะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณต่างๆวิญญาณต่างๆเกิดดับว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างตาเกิดตาดับตาว่างรูปเกิดรูปดับรูปว่างจักกูวิญญาณเกิดจักกูวิญญาณว่างปัจจาเกิดปัจจาดับว่างปัจจาว่างเวทนาความพอใจความไม่พอใจเกิดความพอใจไม่พอใจดับความพอใจไม่พอใจว่างว่างหมดเห็นไหม นี่ว่างหมดว่าเพราะเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันทีนี้พอไปตางหูเหมือนกันแหละไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันเพื่อนด่าว่าเลาะเฉยว่าเลาเฉยไม่โกรธเขาไม่โกรธเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาด่าแม่เราจริงไหมที่เขาด่าเขาโกหกเราถ้เราไปเชื่อเนี่ยเขาโกหกเราเราไปเชื่อเขาทําไำอะไรเขาโกหกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนด่านั่คือคนโกหกไอ้คนที่โกหกเสร็จแล้ว ไครเร็วกว่าคนที่โกหกกับเราที่ไม่ได้โกหกเรารู้ว่าโอ้อันนี้คนที่ด่าเราที่โกหกโ ก, หกทีนี่เราไปเชื่อเขาเราไปเชื่อเขาเราไปโกรธเขาพอเราไปโกรธเขาเราก็เลยเรวกว่าเขาไม่รู้กี่เท้าดกรงเห็นไหมนี่แหละมันเร็วกว่าเขาอีกนี่ถ้าเราไม่โกรธ เราดีกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาเราอะไรกว่าเขาเพราะเราไม่โกรธจิตมันจะนิ่งมันจะนิ่งนิ่งโอ้อันนีจังเนี่ยอันนี้จังอันนี้จังทุกขังอนัตตาสุญญตาสุญญตาว่างว่างว่างหูว่างหูเกิดหูดับหูว่างหูว่างคือปล่อยวางไปเลยเสียงเกิดเสียงดับเสียงว่างโสตวิญญาณคือความรู้สึกทางหูเกิดความรู้สึกทางหูดับความรู้สึกทางหูว่างวันหนึ่ง ก็เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปสอนโรงเรียนประจำจังหวัดอยู่สอนอยู่ยีสิบเ็ดปีสอนเด็กม .4 สอนอยู่ทีนี้วันนั้นกําลังที่จะอบรมเด็กอยู่อบรมเด็กทีน่นี้ไอ้เด็กที่มันเล่นดนตรีอ่ะมันตีไอ้พวกกลองพวกจิ้งพวกฉาพวกอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนั่นแหละเสียงมันดังลั่นไปหมดเลยหลวงพ่อเอ๊ะก็คิดถ้าเราโกโรธ เราก็เสียตาทํำยังไงเราก็เออเสียงมันก็อยู่ที่เสียงอย่าไปยึดมัน่นถึงมัน่นมันอูมันก็อยู่ที่หูตั้งแต่นั้นมาก็เลยแยกเสียงออกเลยแยกเสียงออกได้เลยเสียงมันจะดังมันจะลั่นอย่างไรกดังไยเราไม่ได้สนใจมัน อ, อไม่สนใจมันเหมือนกับว่าคนที่นอนหลับอย่างนั้นนอนหลับแล้วก็ลืมตาเมื่อเห็นเหมือนกับว่าไม่เห็นนั่นแหละมันเห็นเหมือนกับไม่เห็นเพราะมันไม่มีจักขูวิญ ญ, ญาณ อย่าเอาจักรูวิญญาณเข้าไปใส่เอ็นี้ไอ้ทางหูก็เหมือนกันทางหูนี่ทางหูเสียงโสตวิญญาณถ้าโสตวิญญาณคือความไอ้ตัวรู้เรียกว่าตัวรู้รู้ทางหูถ้าไอ้ตัวรู้นั้นมันโง่มันก็เลยเข้าไปยึดมันถือมันก็เข้าไปยึดมันถือมันมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละเอาน้ยมันก็เป็นทุกข์แล้วเพื่อนด่าก็เป็นทุกข์อ๋อพอเพื่อนยกย่องฉันและฉันก็ดีใจมันก็ทุกข์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ นั่นเกิดทุกอย่างหนึ่งทุกทางนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นทำยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงเราทาจิตใ ki ห้ว yes. ่างก่อนทีนี้จิตว่างจิตเกิดจิตดับจิตว่างจิตคิดเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเรื่องนั้นดับทีนี้ถ้าเรื่องนั้นมันไม่ดับอะถ้ามันไม่ดับแล้ะมันเป็นยังไงเรื่องนั้นถ้ามันไม่ดับมันไม่ดับก็ติดอยู่ที่จิตอะไมันติดอยู่ที่จิตนยมันปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ แล้วเราจะคิดเรื่องใหม่ได้ไหมคิดไม่ได้เห็นไหมถ้ามันติดอยู่อย่างนั้นทีนี้เอาแต่ไม่ติดมันไม่ติดอยู่อย่างนั้นจะได้ไอ้เรื่องเดิมนั่นแหละเอามาคิดคิดคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปคิดอยู่นั้นคิดจนจนเป็นโรคประสาทแล้วกล้าจะเป็นโรคประสาทแล้วนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับก็ไปหาหมอบอกหมอว่านอนไม่หลับคุณคิดมากมาไม่ได้คิดอะไรคิดนั่นแหละไปโกหกหมออีกแล้วเห็นไหมทีนี้ พอตอนแรกเม็ดหนึ่งหลับพอทีหลังมันก็คิดอีกคิดอีกคิดอีกเม็ดเดียวไม่หลับแลว้วกว่าเดียสองเม็ดสามเม็ดต่อไปก็เป็นโรคเบลอทีนี้เบลอแล้วเบลอแล้วเนี่ยอยากกินเข้าไปไอ้โรคนั้นไอ้ยานั้นไอ้อยากกินเข้าไปยานอนหลับนั้นไม่กินได้เป็นอย่างดีที่สุดยานอนหลับะเขามีไว้สําหรับคนที่รวยรวยคนที่รวยมากๆา ก, ากอ่าแล้วก็คิดมากคิดมากจนนอนไม่หลับ นั่นเนี่ยก็รวยนอนไม่หลับทีนี้เราไม่ต้องอย่างนั้นเราไม่ต้องอย่างนั้นเราก็ถามตัวเองว่าคิดทำไมเนี่ยมันดับทุกได้ไหมไอ้ที่คิดดับทุกไม่ได้อ๋อดับทุกไม่ได้ก็หยุดคิดมาทีภาวนาที่เอาภาวนาภาวนาหายใจเข้าไม่ใจกูหายใจออกไม่ใจกูหายใจเข้าไม่ใ่กูหายใจออกไม่ใจกูทีนี้เราก็จะเห็นความคิดทีนี้พอมันเกิดสมาธิขึ้นมาพอเกิดสมาธิขึ้นมาดูจิตจิตเกิดจิตดับ จิตว่างคือมีเรื่องอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าธรรมารมณแล้วธรรมารมณ์แล้วธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับจิตจิตธรรมารมณ์จิตแล้วก็ธรรมารมณ์เรื่องต่างๆที่มันที่ผ่านผ่านมานั่นแหละจิตแล้วก็ธรรมารมณ์ตัวที่สมคือมโนวิญญาณมโนวิญญาณสามอย่างนี้ทํางานร่วมกันทําให้เกิดปัจจการกระทบก็ เ, เกิด ผัดจ่าขึ้นมาแล้วเกิดเวทนาขาดสติเกิดสติพอขาดสติเป็นยังไงทีนี้ก็เป็นตนัณหาโอ้ยมันน่าจะจัดการไม่คนนั้นน่าจะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยทีนี้ทีนี้ถ้าเรารู้จักเรารู้จักว่าจิตเกิดจิตดับคือใจเกิดใจดับใจว่างจากตัวตนคือว่างจากตัวกูนั่นแหละใจเกิดใจดับใจว่าง ธรรมารมเกิดธรรมารมดับธรรมารมว่างมโนวิญญาณเกิดมโนวิญญาณดับมโนวิญญาณว่างปัจจาเกิดปัจจาดับปัจจาว่างเวทนาเกิดเวทนาดับเวทนาว่างอ้าวมันหยุดแค่นั้นแจ่แล้วตัณหาไม่เกิดแล้วก็เลิกไปเลยนี่จบเลยจบไปเลยภาวนาเที่นี่ก็ภาวนาไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรนี่ไอ้ไม่ใจกูเน่ยมันค่อยๆฉลาดขึ้น พอจะหลัดขึ้นก็ไม่เอาที่ไม่เอาอะไรไม่เอาอารมณ์อารมณ์ที่ผ่านมาก็ไม่เอาอารมณ์ในปัจจุบันก็ไม่เอามันเกิดแล้วมันดับแล้วมันว่างจากตัวตนเกิดดับว่างเกิดดับว่างเกิดดับว่า ง, างทีนี้คนนั้นก็เริ่มที่จะมีจิตว่างฉังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมกคราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิอัตตาคือตัวกู ทิตติคือความเห็นถอนความเห็นว่าตัวกูนั้นออกไปเสียเนี่ยถอนอัตานุทิตติคือความเห็นว่าตัวตนนั้นออกไปเสียเสร็จแล้วเป็นยังไงยมพบานยมพบาลจะมองไม่เห็นท่านความตายนยั่นแหละเพราะมันไม่มีกูเนี่ยมันว่างมันว่างแล้วมันว่างจากกูพอว่างจากกูแล้วจะเอาอะไมึงเอาไปที่ร่างกายเอาไปที่มันไม่ใช่ของกูแล้วตอนนี้ไม่ใช่ของกูแล้ว พอไม่ใช่ของกูแล้วก็ตายก็ตายที่กูไม่กลัวกูไม่กลัวนี่อย่างนั้นต่อไปเราก็ได้มีสติปัญญาจิตอยู่กับอะไรทีเนี้ยจิตอยู่กับความว่างอยู่กับความว่างทีนี้พอจิตอยู่กับความว่างคือว่างจากตัวตนนะอยู่กับความว่างจากตัวตนทีนี่เมื่อจิตอยู่กับความว่างจากตัวตนว่างว่างว่างว่างว่างต่อไปก็อยู่กับความว่างภาวนาตัวเดียวภาวนาตัวเดียวว่าว่างว่างว่างงว่างงว่าง ไม่เอาแล้วตัวไม่ใช่กูไม่เอาแล้วมันสองสามพยายามเนี่ยมันยืดญ่าทยืดย่าเอาว่างตัวเดียวว่างตัวเดียวทีนี้พอเจ็บขึ้นมาก็ว่างว่างว่างว่างว่างพอทุกข์ขึ้นมาก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างไม่เอาไม่เอาเอาว่างตัวเดียวสักสิทธิที่สุดที่นี้สักสิทธิที่สุดนั่นแหละคือตรงใจของพระอรหันต์อยู่ที่ความว่างความว่างนั่นแหละคือพระนิพพานแต่นิพพานังประเคมังชนอย่าง นิพพานว่างจยางยิ่งว่างอย่างยิงงยงย่งทั้งเนื้อทั้งตัวว่างทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรถ้าจิตว่างตาก็ว่างหูก็ว่างจมูกลิ้นกายใจว่างรูปเสียงกลิ่นรส พ, าพาุพธะธรรมารมว่างจะ ก, กูวิญญาณโสตวิญญาณการนณะวิญญาณจิ๋ววิญญาณมาโนวิญญาณว่างเนี่ยปัจจาทางกาหูจมูกลิ้นกายใจว่างเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างว่างหมดเนี่ยมันจะว่างหมด นี่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาที่ตรงนี้ปีหนึ่งหลวงพ่อเป็นอะไรเป็นใจเลื่อนพอเป็นใจเลื่อนก็โอ้ไปป่าครั้งที่หนึ่งก็ไม่หายไปป่าครั้งที่สองอ่าไม่หายอีกไม่หายอีกทีนี้ก็เขาไอ้คนงานน่ะเนี่ยเขาก็เอาหลวงพ่อจับใจลดอใจ น, นั้นไอ้ที่นอนก็ น, นี่ยแล้วก็เข็นไปเข็นไปโอ้มันหลายกอนนี่ ไอ้หน้าห้องผ่าตัดนั้นหลายคนหลวงพ่อก็ก็ออกไปแกะก่อนตรงนันก่อนพอแกะกกอนตรงนั้นหลวงพ่อก็ตรวจมลทีนี้ตรวจมลทีปีโสกปวาระหังธรรมมาธรรมพุทโธวิจาจนถึงถึุปฏิปัโนเจแล้วก็หยุดหยุดทีนี้ก็ภาวนาวางวางวางวางหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างวางอยู่อย่างนั้นว่างจนเขาพาไปพาไปก้าวก้าไปโรงเชือดเลยทีนี้ การลงเชื่อแล้วเขาถึงลงเชื่อเขาก็ก so ็ว่างว่างว่างว่างว่างอย่างนั้นเขาก็วางยาสลบวางยาสลบทรงพ่อก็อยู่กับว่างว่างว่างอยู่กับว่างเนี่ยว่างมันอยู่ที่ไหนว่าก่อนว่างนั้นมันอยู่ที่ปลายจมูกอ่ามันอยู่ที่หายใจเข้าว่างหายใจออกว่างหายใจเข้าว่างหายใจออกว่างทีนี้พอเกะวางยาสลบทเราก็สลบทพอสลบทอ่จิตเนี่ยมันไม่สลบมันสลบอยู่แต่ร่างกายจิตไม่สลบ พอจิตไม่จดลบมันก็ว่างว่างว่างว่างวงว่างทีนี้มันอยู่ที่หน้าอกตรงนี้อยู่ที่หน้าอกเนี่ยมันเท่ากับปากแก้วประมาณปากแก้วปากแก้วที่เรากินน้ำชากาแควเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วมันก็ว่างว่างว่างว่างว่างอยู่อย่างนั้นว่างอย่างนั้นมันมีความรู้สึกไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกมันมีความรู้สึกว่าว่างว่างว่างวงวงจนกขผ่าตัดเสร็จผ่าตัดเสร็จก็ยังว่างว่างว่างว่างวงว่าง หังก็ก็ใส่แส่นั้นไปใส่เปรไปใส่เปล้วก็ไปห้องพักไปหองพ่อไปถึงห้องพักหลงพ่อก็บอกพยาบาลบอกพยาบาลว่าหลวงพ่อไม่ได้สืบนี่หลวงพ่อยังรู้อยู่แต่ทีนี้หลวงพ่อก็ไม่บอกหลวงพ่อบอกไม่ได้พวกนั้น่ะมันโง่นางพยาบาลก็โง่มันไม่รู้ดอกไปบอกมันทําไมอหลวงพ่อยังรู้อยู่หลวงพ่อไม่สลบอมหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไม่เจ็บเอ้ เพราะไม้ไม่เจ็บมันเจ็บไม่เจ็บเพราะนั้นก็ตกใจอ่าตกใจเลยนี่นี่ว่างนี่ว่างเห็นไหมช่วยได้ไหมก็โยมดูดีช่วยได้ช่วยได้ทีนี้มันไม่ตายความว่างนี่มันไม่ตายความว่างไม่เกิดความว่างไม่แก่ความว่างไม่เจ็บความว่างไม่ตายไม่ตายไอ้นี่มันเปลือกนี่นี่ของเราทั้งหมดเนี่ยเปลือกทั้งนั้นเลยแต่ความว่างเรียกว่านิพพาน นิพพานก็คือความว่างความว่างก็คือนิพพานไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เรียวกว่านิพพานตัวเดียวกันตัวเดียวกันคือสุญญาตาสุญญาตาคือความว่างทีนี้พอท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมานี่ยตอนแรกตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่สวนโมกยังไม่ได้บวชตอนนั้นเพิ่งไปอยู่ใหม่ๆอ๊ย้ยมันปวดท้องปวดท้องทํำยังไงก็รูปลูปท้องลูปท้องก็ภาวนาอยู่ ภาวนาภาวนาภาวนาภาวนาพอเครื่อนเคลื่อนแค่นั้นเนี่ยพอเครื่อนเคลืมันออกไปอีกคนหนึ่งไปยืนอยู่พอไปยืนเออก็เจ็บที่ก็เจ็บไปที่กูไม่ได้เจ็บมึงเจ็บให้ตายก็เจ็บไปที่นี่มันอย่างนั้นเลยท้าเลยเรียกว่าท่าเลยอฮึน่าโยอมนมานี่เรื่องจริงนะเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่เรื่องจริงผ่านจอนะไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านจอดอกตรงนี้นี่เรื่องจริงเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้น ที่ว่าไม่ใจกูน่ะที่หลวงพ่อบอกว่าให้ภาวนาว่าไม่ใจกูน่ะไม่ใจกูก็คือว่างจากตัวกูมันว่างจากตัวกูมันซิกเซ็คได้ซิกเซ็คได้ภาษาเนี่ยไม่ใจกูก็คือว่างจากตัวกูทีนี้นี่ลูกศิษย์ที่มานี่แหละโอ้ก็ไปง้องโกงกันไปง้องโกง ก, ก็เป็นว่นอ้าทัวหัวหน้าทัวนี่ไปวองโกงพอกลับมาถึงจะลงที่สวนนูมิ พอลงที่สนามบินเอาลงไม่ได้ขึ้นปีกสั่นหมดโอ้วีดวาดวีดวาดกันนะลูกทัวก็วีดวาดวีดวาดกัไม่รู้จะทํำยังไงแต่ก็ลงครั้งที่สองอีกไม่ลงอีกแต่พื้นไม่ได้ขึ้นอีกนี่อยู่อย่างนั้นจนลงได้พอลงได้เสร็จแล้วเขา ก, ก็โทรไปที่หลวงพอ่โอโ่าหลวงพ่อเกือบตายแล้วตกใจกันหมดทั้งลําเลยแล้วเจอภาวนาเลยภาวนามไม่ใจกูโอ้มันชาบเปะ ไอ้ไม่จากกูมันชาพปตรงเผอวัาว่าว่าว่างว่างวงว่งอ่าว่างเอาไว้ว่างเอาไว้อย่างนั้นว่างว่างวงวงวางวางให้ว่างเพราะว่าไอ้กิเลสน่ยไอ้ตัวกูน่ยตัวกูที่มันกลัวตายมันเหมือนกับไข่งูอย่างนั้นเนี่ยไขงูมันติดกันนะไข่ไข่นี้มันติดกันเป็นย่านยืดยาวเลยอ่ามันก็ไข่ออกมาปุดปุด ความตุกก็เหมือนกันไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวกลัวมันกลัวจนสุดขีดตอนนั้นมันสุดขีดเอ็นี่พอเราได้ความว่างตอนนั้นมันก็จะหายไม่อยู่หลวงพ่อบางทีเออเวลาขึ้นเครื่องบินก็ขึ้นเป็นว่าเล่นไปแล้วตอนนี้พอขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องเออแค่นี้ถ้าเครื่องบินตกได้ไม่แต่กว่าช่างหัวมันเอไม่จะตายเราคนเดียวเพื่อนก็ตายแต่ว่าทีนี้เราก็ว่างเอาไว้ก่อนที่เรื่องอะไร เราก็ว่างเอาไว้ก่อนก็ว่างพอทำว่างว่างไ ว, งว้ความควนก็หายหายหมดเลยไม่กลาก้าข้ามาเตะต้องเลยหายหมดนี่คาถาที่ดีที่สุดไม่ใช่คาถาของหลวงพ่อคาถาของพระพุทธเจ้านี่ดูก่อนโมกคาราท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตาโนทิทิคือความเห็นว่าตัวตนออกไปเสีย เสร็จแล้วมัจก็ราชจะมองไม่เห็นท่านมันจะเห็นยังไงมันไม่ใจกูแล้วเห็นไหมมันไม่ใจกูแล้วมันก็มองไม่เห็นแล้วนี่เราต้องมีจุดหมายปลายทางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าเราเดินไปที่ตรงไหนทางเดินของเราเดินยังไงฉะนั้นทางเดินของเราคนประเสริฐก็บอกญาติโยมบอกว่านี่สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้อง เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ความเห็นอันถูกต้องทีนี้ความเห็นอันถูกต้องนี้ไม่ใช่เห็นกับตาตานี่มันโง่จะตายไปเห็นเขียวๆแดงๆมันอบแล้วเนี่ยบแล้วนี่มันโง่ตานี้มันขาดปัญญามันต้องพอตาเห็นจิตมันต้องมาจากข้างในหนะทีนี้เพราะจิตมันโง่พอจิตโง่ตาก็พลอยโง่ไปด้วยนี่ทีนี้พอหูได้ยินตาหูพจิตโง่ โอ้ก็พอยโง่ไปด้วยมันโง่กันไปหมดเนี่ยมันจะโง่กันไปหมดเพราะฉะนั้นต้องให้จิตฉลาดต้องจิตมีสติปัญญาพอจิตมีสติปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาพอเห็นสุญญตาเห็นว่างทีนี้ทุกอย่างว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนก็ไปดูดิอะไรม้างที่มันไม่ว่างจากตัวตนเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ว่างจากตัวตนทีนี้ทําไงเรานี่คิดว่าโอ้มาสองครั้งสามครั้งคว่างเงินสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ไม่โรอกกราบเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะเราพื้นฐานมันไม่แน่นไม่แน่นต้องจําอริยวัคคะอริยมรรคในองค์แปดให้ได้ต้องเข้าใจให้ได้แล้วปฏิจจสมุปบาทก็จะมาต่อไปนี่เราก็จะเห็นอริยสัจสี่ทีนี้เราดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเนาะ พระพุทธเจ้าของเราเจ้าขวัญใจสิท ธ, ธัตถะออกบวชท่านออกบวชโดยการอาธิษฐานจิตแล้วก็ตัดพระมารีพอตัดพระมารีออกท่านก็ถือว่าบวชแล้วท่านบวชแล้วท่านเป็นบรรพชิตแล้วทีนี้เป็นยังไงอตอนนั้นเนะ่ยอาจารย์พูดมันเศร้าร้อยหน่อยคือพาท่านออกบวชตัดพระมารีเสร็จก็เอาไอ้เครื่องประดับเพชรพลอยเพชรนินจินดาอะไรต่างๆนี่ อ่าให้ในายชนะแล้วก็ห่อป้าเขให้ในายชนะบอัช น, นะนี่เธอเอาเครื่องประดับนี้เลยเอาไปให้เสด็จพ่อก็คือพระเจ้าถุตโตธนะทีนี้นายชนะก็โอ้ยเศร้าโศยแล้ขอบวช ด, ด้วยแต่ว่าไม่ได้เธอบวชไม่ได้เธอจะต้องไปอ่าไปรายงานเสด็จพ่อก็คือพระเจ้าถุตโทธทนะก่อนทีนี้นายชนะก็ร้องไห้แล้วมาอีกมากันดาวกามาแต่ก็ กันตกะก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้จนกระทั่งว่าสิ้นใจเลยมากันตะกะนายฉันนาก็ไปทีนี้ก็ไปไปเอาไอ้เครื่องประดับอะไรเนี่ยทีนี้พอเจ้าขว้าจ่ายสิทธต์จักรก่อนที่ท่านจะอ๋อพอท่านตัดพระมลีออกเสร็จแล้วก็ถือบวชถือบวชที่เขมีเครื่องทรัพย์หน่อยทีนี้เครื่องทรัพย์หน่อยก็ยังสวยเกินไปสวยเกินไปพระองค์ก็เลยเดินไปไปเจอนายปราน พอเจอนายพรานก็ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนวันนี้เราขอแลกเปลี่ยนกันเอาไห้เนี่ยท่านต้องการชุดของเธออของนายพรานเนีจี๊ดมอมอมันจิ๊ดมันมอม อ, ม, อ, ม, อ, ม, อ, ม, อมันเหลืองเหลือ ง, องด่างดางอะไรก็ไม่รู้เนี่ยท่านก็ต้องการอย่างนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแทนแล้วก็ขอเจ้าควาใจสิทธิ์ตาท่านออกบวชออกบวชที่นี้นี่กลับหลังนะกลับหลังไปว่าตอนที่พระองค์ประสูทธ ได้เจ็ดวันพระเจ้าจุตโธธนะเจิญพรามร้อยแปดนี่ก่อนที่จะเจิญพรามร้อยแปดน่มีพรามคนเด่งเป็นเพื่อนของพระเจ้าจุตโธธนะมาก่อนพอรู้ว่าพระเจ้าจุตโธธนะมีพระราชบุตรมาเยี่ยมเลยได้จากหลวงธามวันก็มาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมก็ดูลายลักษณ์อักษรดูขวามือขว่าเท้าดูลักษณะ โอ้ยพอดูเสร็จแล้วเป็นยังไงร้องไห้เลยทีนี <dar <dar ้พรามนั้นร้องไห้เลยพระเจ้าตุุโตทนะตกใจทีนี้อ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงพระอาจารย์เป็นยังไงลูกราชบุตรของข้าพเจ้าจะเป็นอะไรมีโทษเป็นอะไรมากบอกว่าไม่ไม่เป็นอะไรหรอกอพระราชบุตรนี่จะไม่เป็นอะไรแต่ว่าที่ข้าพเจ้าร้องไห้นี่ข้าพเจ้าโงงสารตัวเองว่าต่อไป เด็กคนนี้ราชบุตรของท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าอายุมากแล้วจะไม่ทันพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยร้องไห้ขึ้นมานี่นี่มาก่อนพราหมณ์คนนั้นมาก่อนแล้วก็กลับไปกลับไปทีนี้พระเจ้าสุตโตทนะก็เชิญพรามมาร้อยแปดร้อยแปดคนร้อยแปดคนแก่ทั้งนั้นเลยหงอกแงกทั้งนั้นทีนี้ไอ้คนที่ หนุ่มที่สุดก็คืออัญญาคนตัญญะพรามพรามทั้งร้อเจ็ดพอดูลักษณะอร่อยเสร็จเรียบร้อยสองนิ้วจูสองนิ้วทางนั้นราชบุตรองค์นี้ถ้าเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าไม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ต้องออกบวชต้องออกบวชท่านั้นพรามทั้งร้อเจ็ดคนบน ตํนายอย่างนั้นทางนั้นหมดเลยทีนี้พอเหลือคนหนึ่งคนที่หนุ่มที่สุดคืออัญญากนทัญยะอัญญากนทัญญะหนุ่มที่สุดยกนิ้วเดียวควันธงเลยยกนิ้วเดียวโอยกนิ้วเดียวเป็นพระพุทธเจ้าแน่ไม่มีคําว่าสองอนี่อย่างนี้พระเจ้าจุดโทษท่านก็ตกใจใหย่อยดินกลัวว่าลูกจะออกบวชแตตกใจ ตกใจที่เวลาออกไปข้างนอกกฎตรงนห้นก็จัดการเรียบร้อยคนแก่ไปอยู่ตรงอื่นตรงอื่นคนแก่อย่ามามุดุมรามตั้งแถวนี้โดนจับเอาไปขังเนี่ยเวลาออกออกจากราชวังเนี่ยเป็นอย่างนั้นเน่ยคือพยายามที่จะปกปิดทั้งนั้นเลยไม่ให้เห็นอะไรทางนั้นทีนี้พอครั้งจุดตายขึ้นมานี่ทำไหวพระราชบิดาเราเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยท่านก็ค่อยๆรู้ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดพอเสร็จแล้วอ่า ช น, นะวันนี้เราออกไปออกไปดูที่ประชาชนก็อยู่กันยังไงอยู่กันยังไงไม่ต้องประกาศโฆษณาหรอกออกเลยอไปกับนายชนะแล้วก็ขี่มา ก, กันตะกาไปพ อ, อไปถึงพอไปถ น, นนที่คนเดินมากนะพ อ, อไปเห็นคนแก่ไม่รู้จักเห็นไหมไม่รู้จักแล้วก็ปิดหมดไม่อยาเห็นเลย ไ, เนนไปเห็นคนแก่อพอไปเห็นคนแก่ชนะนี่อะไรเนี่ย คนแก่พระเจ้าค่ะแล้วทําไมผมก็อย่างนั้นอ่ะแล้วทำไมเขาเดินต้องถือไม้ตาแล้วก็เดินหลังคอมอย่างนั้นะก็คนแก่พระเจ้าค่ะแล้วหนังก็เป็นอย่างก็มันหนังเหี่ยวพระเจา้าค่ะแล้วผมเมื่อทำไมสีขาวอะมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะมันแก่แล้วเราจะแก่อย่างนั้นแก่อย่างนั้นทุกคนแก่อย่างนั้นหมดพระเจา้าค่ะโอ้ทีนี้แหละปัญหาแล้วเอาไปเห็นคนเจ็บอ๋อก็อย่างนั้นอีกแหละถามใหญ่เลย อ๋อไปไปเห็นคนตายเขากาลังเผาอยู่อ๋อไอ้ฉ น, นะนี่ทำไมก็ไม่ลุกขึ้นเดี๋ะคนนี้ก็คนตายไปเจ้าข้าก็าลุกขึ้นไม่ได้แล้วถ้าตายมันเป็นยังไงมันไม่หายใจแล้วไปเจ้าข้าเอาไม่หายใจแล้วนี่บอกกันเป็นการใหญ่ น, นี่เป็นยังไงทีงนี้ก็ไปเห็นธรรมนะที่นั่งอยู่ต้นคนไม้เนี่ยที่คนไม้เห็นนักบวชก็เห็นนักบวชแต่แล้วเอ้ยนี่ สงสัวยว่านั่นเนี่ยทางออกทางออกคงคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาพระองค์เข้าไปอยู่เนีรัชวังเสร็จแล้วก็ไม่อะไรมีระนาฏมีอะไรต่ออะไรเรียก ว, ว่าดนตรีต่างๆเนี่ยประโคมกันลั่นจะหมดพอพระองค์ขึ้นประทับนั่งก็มีพวกขนมนางห้ามอกคนรวยทางนั้นคนขี้เหล่ไม่เอาไม่เอาคนรวยทางนั้น อย่นี่เป็นยังไงทุกคืนเนี่ยทำอยู่อย่างน yeah> ั้นพระองค์ก็เบื่อเบื่อเต็มทีแล้วย่นี้พระองค์วันนั้นก็เลยม้อยหลับไปพอม้อยหลับม้อยหลับไปพวกนั้นก็ค่อยๆเบาเสียงดนตรีเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงอเบาลงเสร็จแล้วพวกนั้นก็นอนกันเลยก็นอนหลับ่ลยจริงก็นอนหลับก็เป็นยังไงบางคนก็นอนกอดกลองอยู่บางคนก็นอนน้ำไหลไหลบางคนก็นอนละเมอ ดูไม่สวยไม่งามจีขาจีแข้งยังไงก็ไม่รู้ทีนี้พระเราก็ตื่นขึ้นมาในระหว่างนั้นนอะก็ตื่นขึ้นมาพระองค์ก็เห็นวอ้นี่มันป่าชาชัดๆเลยเหมือนกับคนตายทางนั้นเนี่ยเหมือนคนตายทางนั้นเพ ร, ะเราะในประเทศอินเดียคนตายก็ไม่เผาในสมัยนั้นก็อเอาไปกองไว้กองไว้กองไว้นอกเมืองเนอะอเอาไปกองไว้กองไว้ทั้งสดทั้งแห้งทั้งกินกาลังมีหนอนยุบยับยุบยับอยู่เอาไปกองไว้ทางนั้นเลย นี่พระองค์ก็เห็นว่าโอ้นี่มันเหมือนกับว่าสากศพแต่ละคนแต่ละคนก็เลยคิดสังเวชกันว่าพระองค์จะตามยังไงดีด้านั้นพระองค์ก็เลยออกบวชทนไม่ไหวแล้วออกบวชออกบวชโดย ก, การอธิษฐานจิตขอยุคนั้นที่หลวงพ่อบอกยุคนั้นคือยุคอุปนิสัตย์ยุคอุปนิสัตย์นี่ในประเทศอินเดียหนึ่งตั้งแต่เหนือจะลดใต้คิดกันเรื่องพระดิพานทางนั้นเลย พอคิดกันเรื่องพระนิพพานก็อจะหาความดับทุกข์นั่นแหละแต่แล้วก็ข้าวปาพวกอะไรพวกเศรษฐีมากเศรษฐีต่างๆนั่นก็เบื่ออแล้วเราเกิดมาทําไมมันเพื่ออะไรมันเพื่ออะไรมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์สิสนสมบัติมันก็แค่นั้นเองเห็นว่าแค่นั้นเองออกบวชทีนี้เขาก็ออกบวชออกกันเป็นแถวสมัยนั้น ก็ทําให้เกิดจานักต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมีแต่ํานักต่างๆเหมือนกับว่าํานักทิศาปาโมกจช่นว่าลู ก, ลกของพระราชามหากษ์สัตว์ต้องไปเรียนกับอาจารย์ทีิศาปาโมกทั้งนั้นเลยในสมัยนั้นทีนี้เจ้าคว่าใายจิตตาตาก็เลยต้องออกท่านก็ออกพอออกแล้วเป็นยังไงพราหมณ์ทั้งหมดร้อเจดคนน่ะตายหมดยังเหลือแต่โกนัญญะคนเดียว ที่นี้พรามพวกนั้นสั่งเอาไว้สั่งลูกลูกเอาไว้ว่าเมื่อท่านตายแล้วพวกเธอจงได้ขวังกล่าวว่าถ้าวันไหนเดือนไหนเจา้าวาจายจิตตะออกบวชเสด็จออกบวชให้พวกเธอตามไปนะตามสเสด็จแล้วก็ให้บวชตาม อ, อย่างนี้เป็นยังไงอัญญากนธัญะพรามคนที่ร้อยแปดนะตอนนั้นก็ยังนมอยู่ ยังรวมแต่ว่าพระรา์พวกนั้นตายหมดแล้วตายหมดแล้วทํำยังไงรู้ข่าวแล้วว่าเจ้ากวาจายจิตตะตะออกบวชแล้วออกบวชแล้วก็เลยไปอ้าวจะไปชวนใครก็ไม่ได้ก็ไปชวนจักชวนลูกลูกของพราหมณ์เหล่านั้นชวนคนนั้นก็ไม่ไปคนนี้ก็ไม่ไปไม่มีใครไปได้เพีกี่คนนห้าคนรวมทั้งตัวเองด้วยได้ห้าคนนั่นแหละคือปัญจวัคคีปัญจวัคคีทั้งห้า เรีว่าปัญจวกีปัญจาก็คือห้าปัญจวกีก็คือนักบวชทั้งห้าก็เลยบวชตามเจ้ากว่าชายจิตตตา่ก็อยู่กันอะไรกันช่วยเหลือเจ้ากว่าชายจิตตตาตลอดไปใช้เวลาเท่าไหร่หกปีใช้เวลาห ป, าปีทีนี้ที่เรามาเรียนเรามาศึกษาเรามาก้าวอรส์สปฏิบัติตามนี่แหละนั่นเวลาเท่าไหร่เวลามันไม่นานมันไม่นาน แต่โนนเขาคิดค้นกันนี่เรามาปลายแถวแล้วก็บอกไว้ให้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เดินทางนี้ทางนี้ทางนี้อริยมรรตมีองค์แปดมีสมัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเดินทางนี้ทางนี้ทางนี้เอา้ายังออกนอกทางอีกนี่คือไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าทีนี้เราดูแต่ว่าพระองค์เองก็ดีแล้วก็ปัญจวัคคีย์ก็ดี ก็วางพื้นมาตั้งหปีวางพื้นมาตั้งหปีพอแต่แรกใน6ปีนั้นมันมีอยู่สามทางคือทางนี้มันมีอยู่สมทางทางหนึ่งชื่อว่ากามสุการิการุโยกกามสุการิการุโยกกันคือความต้องการความอยากในเรื่องระหว่างเพศก็ดีความอยากในเรื่องวัตถุก็ดีความอยากเกี่ยว่าบจัคว้าใจจิตทตาเนี่ยก็กลัวที่จะออกบวช โอ er ้โหทาพระราชวังฤดูหนาวพระราชวังฤดูร้อนพระราชวังฤดูฝนแก่พระราชวังทํากับไม้แก่นจันท์ั้งนั้นเลยแก่นจันท์หอมทํากับไม้แก่นจันท์อทําไม้แก่นจันหอมทั้งนั้นเลยนี่เรียกว่าก็ว่าอยู่สบายสบายสบาไม่อยากให้ออกบวชแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้ทีนี้เป็นยังไงพระองค์ก็ไม่หลงทีนี้ จะมีสนมนางห้ามจะ ก, กี่คนจะ ก, กี่ร้อยกี่พันคนเราก็เบื่อแล้วเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อนั่นจะมีวัตถุมีเงินมีทองมียองมีเพชรนินจะนันเราก็ padding, ไม่เอาแล้วเบื่อนั่นก็เรียกว่ากามจุการิการุโยะไอ้ที่เราต้องการเราต้องการที่จะร่ํารวยต้องการที่จะมีนั้นมีนี่มีโ น, น้ดเนี่เห็นไหมนั่นคือกามจุการิกานุโยกทั้งนั้นเลยถ้าต้องการด้วยกิเลสตัณหานั่น กามะจุการิการุโยกแต่ถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่ชื่อว่ากามะจุการิการุโยกถ้าต้องการด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นความต้องการนี้ไม่ใช่เช่นว่าเราหิวร่างกายมันต้องการอาหารเรา ก, ก็กินให้มันที่ดื่มให้มันที่นั่นไม่ใช่ว่ากามสุุการิการุโยกอย่างนั้นเราช่วยทียนี้ถ้าเราไม่ดื่มเราไม่ทาน เราก็มาปฏิบัติทำไม่ได้ดที่ฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกกามาสุการิการุโยะพระองค์ก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วตั้งแต่อยู่ในราชวังทีนี้พระองค์ก็ต้องเอาอีกทางหนึ่งทางหนึ่งชี่ว่าอัตตากิลามาถานุโยะอัตตากิลามาถานุโยะการทรมานกายในสมัยนั้นทรมานกายกันเยอะแ ย, ะ เ, ยะเต็มไปหมดในป่าหิ ม, มาพานต์มีแต่นักบวชทั้งนั้นเลยเรียวกว่า ทรมานกายด้วยการตกตาปูแล้วก็นอนบนตาปูนอนบนหนามกำแล้วจนกระทั่งว่าไม่ให้มือเอาออกเลยแล้วก็ให้เล็บทะลุมาหนังนี่ออกมาถึงไอ้หนังมือเลยนี่เรียกว่าทรมานกายกันทีนี้พระองค์ก็ทรมานกับเขาด้วยทามานอย่างไรคิดว่าเนี่เรียกว่าตากเกลียงมาตอนโยพระองค์ก็ไม่ฉันอาหาน ไม่จานอาหารค่อยๆลดอาหารลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเหลืออาหารเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วมันจะอยู่ได้แล้วกายทั้งใหญ่โตเห็นยังไงทีนี้เมื่อเหลืออาหารน้อยแล้วอแล้วก็หิวก็หิวบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงอก็เลยอไปดูไปดูตัวเองมันไม่มีกระจกหรอกก็ดูในน้ํำหี่ดูที่บ่อน้ําโอ้ยตาก็ลึกโบ๋ผมก็เอามือเนี่ไปคลา ไ ป, ไปกรามที่ศีรษะก็บุบบิบบุบบิบหมดแล้วทีนี้ขนก็ร่วงร่วงทีนี้พอเอามืออีกข้างหนึ่งไปรูปที่แขนแขนก็ร่วงทีนี้มีแต่เส้นเอ็นปรากฏโอ้ยมันจะถึงที่สุดแล้วอย่างนี้มันจะตายอยู่แล้วมันยังไม่บรรลุปเป็นพระธังมมาธรรมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ใช่ทางแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ทางแล้วพอไม่ใช่ทางแล้วพระาก็อ๋อ ฉันอหารตามปกติทีนี้ค่อยๆฉันเพิ่มเหมือนตีรนิทตีรนิทตีรนิทีนี้ตอนนั้นแหะตอนที่จะจฉันอาหารตามปกตินั่นแหละพระองค์ก็คิดว่าเออมันไม่ไหวแล้วลงไปส่งน้ําหน่อยก็ลงไปส่งน้ําในแม่น้ําพอลงไปส่งน้ําในแม่น้ําล้มลงอีก ล, ล, ล้มลงล้มลงทีนี้มันมีรากใยแต่ยมันย้อยลงมาพระองค์ก็จับรากใยนั้น ดับลากซอยไว้แล้วเงยหน้าขึ้นอย่าให้น้ํามันเข้าปากเข้าจมูกแล้วค่อยๆกรานขึ้นมาครานขึ้นมาบนตะลิงพวกครานมาบนตะลิงครานครานไปครานไปกร า, า, านไปที่ป่าละโมะเป็นลมล้มเลยเป็นลมล้มนอนหงายอยู่นอนหงายทีนี้ก็เอาตอนนั้นมีเด็กเลี้ยงแพะเอปา่าขุนแพะปา่าขุนแพะเลี้ยงก็ให้กินญ้า เดินมาเดินตามแพะมาไม่ได้เดินเป็นแถวแล้วประดาน้ากันไปไปไปถึงเห็นก็โอ้นี่นักบวชนี่นอน ป, า, ปาง ب, ปาพะง ب, ปาปะงาอยอู่นักบวชทีนี้ไอเด็กมันคือมันพวกเรียกว่าวันหน้าสูตรจับโต้งไม่ได้กับสมณะกับนักบวชนี่บาปบาป เขาว่าบาปจับต้องไม่ได้ให้งอทับก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาก็คิดว่าโอ้นักบวชนี้ถ้าเราไม่ช่วยก็แย่เนี่ยคนจะแย่ตายแน่เลยเขาก็เลยไปเอาแม่แพะมาแม่แพะที่ลูกอ่อนนั่นแหล ะ, ละเขาไปนําแม่แพะเอาแม่แพะก็ถึงให้คร่อมคร่อมแล้วก็รีบนมแพะในข้าวในประโอดของพระองค์รีดนมแพะในพระองค์ก็มีแรงขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่มีแรงขึ้นมาหน่อยพระองค์เลยพูดโอ้เอามาให้เราอีกหน่อยหนึ่งเถอะไง นายเด็กคนนั้นก็เลยไปเอาแพะมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็รีดนมใส่เข้าไปเหตุพระองค์ก็เริ่มเริ่มจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาก็ไปวินตาบาดไปหาอาหารได้แล้วพระองค์ก็ฉันอาหารตามปกติทีนี้ปัญจวัคคีปัญจวัคคีว่าโอ้เมื่อไรจะบรรลุทีเมื่อไรจะบรรลุทีไม่เห็นบรรลุสักทีหนึ่งเอาไปไปม า, าเอา้ารสวยอาหารตามปกติไม่จริงแล้วไม่จริงแล้ว ไม่จริงแล้วหนีหมดทีนี้ปัญจวคีทั้งาหนีหมดพอหนีหมดทีนี้พระองค์ก็ได้โอกาสได้โอกาสพระองค์ก็บำรุงร่างกายให้ปกติปกติแล้วก็ข้าวไปอยู่ในถ้าอีกถ้ำหนึ่ง อ, อยู่ใ น, นถ้ำเกบ็แกบแคบแคบแคบสักสองสามวัได้ไม่เกินสามวันไอ้ทางข้าวข้าวได้คนเดียวครานก็ไปหลวงพ่อก็ครานก็ไปคราน้าไปทีนี้ก็มีคนอินเดียนะไปนั่งอยู่สองคน นั่งทน่นด้านโน้นคนด้านนี้คนแล้วก็ก็มีไอ้นั่นน่ย ม, มีมีไม้สำหรับปักเทียงน่ยแล้วพอกลนเข้าไปแล้วก็จะปักเทียนแล้วก็จุดเทียนเป็นแถวจุดเทียนหลวงพ่อเข้าไปเข้าไปที่ไปกับหลวงพอ่อตอนนั้นก็เราไปเดี่ยวนี่เราไปเดี่ยวเราไม่ได้ไปกับคณะไหนเราทีห้าคนเราก็เข้าไปห้าคนเข้าไปห้าคนทีนี้ก็โอ้หายใจไม่ค่อยออกอันี้ไอ้คนอินเดียหลงพ่อเนี่นั่งกลางๆอ๋อหายใจไม่ออก ทนี้เขาก็ตรวจเลยเขาตรวจหลวงพ่อก็นำตรวจนำตรวจนโมพุทธังแล้วก็อีทีปีโสตะวะาต้เอ๊ะมันหายใจไม่ออกทีนี้หลวงพ่อมีไม้อยู่อันหนึ่งไม้เท้านาะไม้เทามก็มีประวัติขึ้นมาอีกเลยไม้เท้าไม่ใช่ไม้เท้าอันนี้ไม้เท้านี่โยมก็ซื้อมาจากเยอรมันเอามาถวายหลวงพ่อมีไม้เท้าเยอะเลยมีคนถวายเรื่อยๆไปเมืองจีนเนาะมีแต่ไม้เท้าไม้เท้าซื้ออย่างเดียวไม้เท้าทีนี้ มันขึ้นเขาที่ไอ้ทางที่จะไปหาถ้าถ้านั้นเนี่ยมันขึ้นเขาขึ้นเขาก็เดินไปลาดลาดแต่ว่าหลวงพ่อตอนนั้นมันเป็นอะไรเป็นความดันความดันสูงเห็นนี้ดูข้างข้างทางว่าจะเอาไม้เท้าหน่อยหนึ่งเอาหาไม้นะเน่ะหาไม้นิดๆเนาออมาทําไม้เท้าก็เดินเท้าไปทีนี้มันไอ้กอทานนะ่ะมันเยอะกอทานเยอะเห็นกอทานคนหนึ่งก็อเอ้ยขอไม้เท้าเนะี่ยขอจี้ก็จีแล้วกดเอา อัน <formation> ั้นเนี่ยรูปีเนี่ยเอารูปีกรำหนึ่งแล้วก็ให้เขาเอาเอาขอไม้เท้าก็ได้ไปได้ไปที่นี่หลวงพ่อก็ได้ไม้เท้านั้นเนี่ยไปไปถึงก็ไปดูโน่นดูนี่ชมเรียบร้อยชมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ข้าวทํากันข้าวทําก็ไปสวดเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยพอสวดสวดไปหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหลวงพ่อก็เอาไม้เท้าเนี่ยไม้เท้าหนึ่งเพราะเทียนน่ยใจไม่เพราะเทียนน่ยมันทำให้อากาศออกซิเจนน่ยมันหมดก็เลยเอาไม้เท้านี้ กวดาปลื้ดดับบมดนี้แขกตกใจคิดว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าหลวงพ่อนี่ยศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเนี่แขกตกใจเลยแต่แกมันไม่ได้ก็มีบางคนเนี่ยที่ไปเชียงใหม่เนี่ยไปนอนเต็นไปนอนเต็นเสร็จแล้วจุดตะเกียงจุดตะเกียงที่นี้ไอออกซิเจนเนี่ยเราตะเกียงเนี่ยไฟมันไหม้หมดอ๋อไหม้หมดเสร็จแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจตายเลย คนนั้นตายเลยเนี่กคือโง่เหมือนกันเนี่ยที่หลวงพ่อพูดนี่เหมือนกันทีนี้หลวงพ่อก็ออกมาจากด้ำพอออกมาจากด้ำมันกดเดินมันยืนเรียงกันเป็นแถวขอทานหลวงพ่อ ก, ก็คิดว่าเอ๊ะจะให้อะไรมันดีเนี่ยให้เงินก็ให้ไม่ไหวมันมากเหลือเกินก็เห็นคนเขาขายเก้าเปียบว่าวว่ะขายเก้าเกลียบว่ามีอยู่ไอ้เข่งหนึ่งก็เท่าไหร่อันบอกว่าร้อยรูปีอ๋อเจ็ดสิบพ่อ ก็ทำมือเจ็ดสิบพอมาได้ไอ้ก็หลวงพ่อก็จะแจกทีนี้จะแจกแจกให้คนละแผน่นคนละแผน่นค น, นรุมกันมาเลยทีน่นี่พอรุมกันมาเลยหลวงพ่อก็เอาไม่ทันแต่กล้านี่ก็เลยคว่าเลยคว่าเลยมันก็เย่งกันว่าข้าวเกลียบนั้นก็ผงระเนีระนาดเลยทีน่นี่นึกขำเลยทีน่นี้นึกขำนี่แหละนั่นคือแก่แก่กินเดียวไอ้นี่เจ้ากระจายจิตตตาของเราเนี่ยนะนะ พระองค์ก็ออกจากถ้ำพอออกจากถ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อย ๆ, ๆตรงนั้นมันไม่ไกลไม่ไกลจากแม่น้ําเนรัญชราพระองค์ก็ไปริมแม่น้ําเนรัญชราทีนี้ที่ใกล้แม่น้ําเนรัญชราจะมีบ้านของนางจุจดาอยู่นางจุจดานี่เป็นลูกของเศรษฐีทีนี้พระองค์ก็ไปไปไปเราไปนั่งใต้ต้นไทรนนั่งใต้ต้นไทรตรงนั้นเน่ย นางสุจดาเป็นลูกเศรษฐีก็ เ, เป็นลูกเศรษฐีแล้บนบานสารกล่าวแล้วไปบนบานศารกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าได้สามีคนที่มีทรัพย์สมบัติเส ม, มอกันเศรษฐีมันก็ต้องได้กับเศรษฐีที่เศรษฐีได้กับขอทานน่ยไม่เอาหรอกนี่นก็เลยได้กับเศรษฐีด้วยกันลูกของเศรษฐีด้วยกันพ่ได้กับลูกเศรษฐีด้วยกันก็ อ, อธิษฐานจิตว่าข้อที่สอง ขอให้จามีของข้าไปเจ้าอย่ามีเมียน้อยทุกคนแหละเนี่ยปรารถนากันอย่างนั้นอย่างนั้นทุกคนแต่มันไม่ได้ทุกคนหรอกทีนี้ข้อที่สขอให้กับเจ้าได้ลูกผู้ชายเป็นคนหัวปีนี่เสร็จแล้วได้สมปรารถนาทุกอย่างก็ได้สมปรารถนาทุกอย่างเป็นยังไงทีนี้ก็เลยถึงเวลาแล้วที่จะไป ไปบวงสรวงนี่จะไปบวงสรวงนี่ก่อนจะบวงสรวงก็เลยบอกสาวชายไปกวาดไปกวาดที่ใต้ต้นไทรนั่นแหละกวาดที่ใต้ต้นไทรเราจะไปทำการบวงสรวงสาวชช้ก็ไปก็ไปถึงเห็นเจ้าควาใจจิตตะานั่งอยู่ตรงนั้นโอ้รูปร่างหน้าตาหลเหลาไม่ใช่นี่มันไม่ใช่คนนี่เป็นเทพนี่เป็นเทพนี่เป็นเท พ, เเทพก็เลยรีบกลับไปบอกนางทุจดาเจ้านาย ไอ้ตงบงอ้เจ้านายเจ้านายมีเทพนั่งอยู่ที่ตรงนั้นแหละที่ใ ต, ต้ต้นไทรนั้นแหละนี่ก็นางสุจดาทํำยังไงทีนี้ก็เพราะว่าทํำข้ามาทู่ป่าญาติข้าวมาทูปา่าญาติโยมต้องเข้าใจว่านางสุจาดานะ่ยก็เป็นลูกเศรษฐีมีฝูงโคเนี่ยโขงโคเนี่ยเจ็ดร้อยตัวในเจ็ดร้อยตัวน่ยเอาไปรีดนมโคเจ็ดร้อยตัวมา ให้นมโกหก600ตัวดื่มจาก600ตัวก็หนึร้อยตัวสี่ร้อยตัวสามร้อยตัวสองร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวนี่ให้ดื่มกันไปตามลําดับเสร็จแล้วพอถึงร้อยตัวไปรีดนมจากร้อยตัวมาจากร้อยตัวมาก็ให้โกเจ็ดตัวดื่มทีนี้นมเมื่อมันได้เข้มข้นได้เข้มข้นเพราะมันได้เข้มข้นอย่างนั้นเข้มข้นอย่างนั้นก็ก็ออกมาก็ทําเหมือนกับข้าวที่ก็ได้มา แต่ก็เหมือนกับข้าวเม้าอย่างนั้นมันยังอ่อนๆ อ, อ, อยู่เอามาทําทำเขาก็เอาเนี่ยน้ำนมนี้แหละน้านมเนีน่ยไปหุงทําเป็นน้ําแล้วก็ทําเป็นข้าวมาตู่ป่าญาติแล้วก็ใส่อะไรหลายๆอย่างมาปั้นเป็นก้อนทีนปั้นเป็นก้อนรู้จึกกันสาหรือสามสองก้อนอ่ตั้งเป็นก้อนแต่แล้วก็เอาไปถวายเอาไปถวายเนี<ม>่ยที่ว่าเทพนั่นแหละว่ถวายเทพก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้อาจารกว่าจิตตตาเอาไปถวาย ออกไปถวายเสร็จแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ให้พรให้ปรเแล้วก็พระองค์ก็ฉันหมดแล้วก็ลอยถาดทีนี้เสร็จแล้วก็ลอยถาดตาดก็ถวายทั้งตาดตาดนั้นก็เป็นตาดทองเป็นตัดทองนี่พอตอนที่พระองค์จะลอยถาดพระองค์ก็อธิษฐานจิตอีกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ตาดทองใยนี้จนลอยขึ้นเหนือน้ํา ตาด น, นั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้ําลอยขึ้นเหนือน้ําจริงๆพ อ, อ, อลอยขึ้นเหนือน้ําจริงๆเป็นยังไงทีนี้่พระองค์ก็นั่งพักผ่อนจนถึงตอนบ่ายพอตอนบ่ายพระองค์ก็ข้ามแม่น้นําเนรัญชราไปตอนนั้นแม่น้นํนาเนรัญจราไม่แห้งเหมือนกับในสมัยนี้เพราะว่ายุคอุปปิสัตยนะ์เป็นยุคที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย มีแต่คนฉลาดฉลาดฉลาดฉลาดมีแต่คนฉลาดลก็ข้าวป่าข้าป่าเสร็จแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้ า, าศาสนาต่างๆมีแต่คนฉลาดดังนั้นเลยเพราะฉะนั้นยุคนั้นก็เรียกว่ายุคอุปนิสต์เป็นยุคที่คนฉลาดที่สุดแล้วข้าวปลาอาหารก็สมบูรณ์ที่สุดทีนี้พอมาในสมัยนี้เราไปที่แม่น้าในรันชาระแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็ทาสะพานแล้วก่อนที่จะทาสะพาน ก็เราต้องลุยไปในแม่น้ําแม่น้ําที่ไม่มีน้ําสักนิดหนึ่งต้องลุยทรายไปเดินลุยทรายไปอย่างนั้นประมาณสักกิโลนึงได้มึงเดินกันไปนี่ทีนี้ในสมัยนั้นตามพุทธประวัติพระองค์ก็เดินข้ามไปเดินข้ามแม่น้ำเนลันจาราไปน้ําก็คงจะทักขาอ่อนอะไรแค่นั้นแต่ถ้าเวลาฝนตกหนักก็คงจะน้ํามากแต่วันนั้นคงจะน้ำไม่มากพระองค์ก็ข้ามไป ข้ามไปก็ไปถึงโน่เดินไปไปดได้ดำเนินไปดำเนินไปจนไปเห็นสถานที่ที่ร่มรื่นที่สุดสบายที่สุดมันเยือกเย็นสบายบอกไม่ถูกพระองค์ก็คิดว่าใช่แล้วที่ตรงนี้แหละใช่แล้วใช่แล้วที่ตายตนโพนี้พระองค์ก็พิจารณาเสร็จแล้วก็ไปนั่งตายตนโพทีนี้มีสองคนสองคนเขาไปหาญากคามาจากไหนก็ไม่รู้ ไม่เห็นพระองค์ก็คิดว่าเออนักบวชนั่งไม่มีที่ไม่มีที่รองที่รับ อ, อ, อาสนะอะไรก็ไม่มีก็ก็เลยถวายญากรรมเจ็ดคำญาการมเจ็ดคำนั้นพระองค์ก็เลยเอาตารองรับที่สําหรับนั่งนี่พระองค์นั่งบนญากรแต่หลวงพ่อในนั่งตรงนี้หน่าอายพระพุทธเจ้าเห็นไหมนั่นแหะคือธรรมชาติธรรมชาตินี่นี่ พระองคก็อธิษฐานจิตนี่อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตว่านี่ครั้งนี้เราจะอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เนื้อหนังเอ็นกระดูกเหือแห้งไปแล้วก็กองอยู่ใต้ต้นโพนอนทับตายใต้ต้นโพอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ลุกขึ้นแล้วไม่ลุกขึ้นแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหพระพุทธเจ้าถ้าองอธิษฐาน ครั้งสุดท้ายอย่างนี้อา้าวดังนั้นค้างไว้แค่นี้ก่อนตอนเจ้ามืดค่อยว่ากันเองทีห้าเพราะว่าเวลาก็พอสมควรแล้วนี่มันสามทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วอ๋อญาติโยมควังใหม่ทีนี้ญาติโยมที่จะกลับยี่สิบคนมาเอาหนังสือกับแผ่นซีดีไปก่อนอนอกนั้นก็ทีหลัง เ, เชิญเชิญได้